สำหรับในวันอาทิตย์นี้เที่เราจะได้มาคุยกันต่อจากอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วนั้นอาตมาได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของประวัติความเป็นมาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับตั้งแต่ตอนก่อนที่ท่านจะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแล้วก็ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือในยุคสมัยที่ท่านยังเป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์อยู่นั่นเอง เพราะฉะนั้นเจนว่าในกติเรงของพระโพธิสัตว์นั้นในพุทธศาสนาทางเทรว า, าทเองเนี่ยก็ได้กล่าวถึงไม่ได้ห้ามแล้วก็ถ้าใครปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ห้ามแถมยังยกย่องด้วยเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจว่าสิ่งต่งตาตงๆเหล่านี้กว่าจะได้มานั้นยากลําบากมากนะอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดมของเราใช้เวลาตังอสี่ส่งคายกับหนึ่งแสนกับในการบำรเพนบารมี เพราะฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าท่านหนึ่งบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราสมควรที่จะเมื่อได้พบคําสอนของพระพุทธเจ้าควรเร่งรีบที่จะกระทําให้มากอย่างน้อยที่สุดถ้าให้เราพ้นทุกข์เสียตั้งแต่ในชาตินี้เลยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอันนี้ก็เป็นคําสอนของทางพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสเอาไว้นั่นเองแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธของผู้ความปรารถนาของผู้ที่ต้องการที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนอย่างตัวอย่างของสุมเมตาบท ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเล่าให้ฟังนะเรื่องนี้ถ้าใครสนใจรายละเอียดนะลองไปอ่านในพระไตรปิฎกในเรื่องของพุทธวงศ์นะถ้าจำไม่ผิดอยู่อยู่ในเรื่องที่สามสิบสามเกี่ยวกับเรื่องของพุทธวงศ์ก็จะมีความเป็นมาของสุมเมตตาบทของอะรที่อาตมาได้เล่าให้ฟังไปเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนั่นเองนะวันนี้เดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังต่ออีกสักนิดหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องของหลักการอย่างที่สองซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่านะ้องติ่งจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแล้ว สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างที่สองนั่นก็คืออะไรเอ่ยคือพระธรรมนั่นเองหรือพระธรรมะนั่นเองซึ่งเวลาคนไทยแปลเราก็จะแปลกันสั้นๆว่าคำสังสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้เราจะมาดูความหมายของธรรมะให้กว้างออกไปมากกว่านั้นนะให้กว้างออกไปมากกว่านั้นว่าธรรมะคืออะไรทำไมจึงเป็นสิ่งที่มีค่าทาไมจึงเป็นสิ่งที่จาเป็น แล้วก็จะโยงมาถึงในเรื่องของการปฏิบัติธรรมของเราด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะปฏิบัติธรรมเราก็ต้องรู้เสียก่อนว่าสิ่งที่เราจะปฏิบัตินั้นคืออะไรมีจุดมุ่งหมายอย่างไรเพราะฉะนั้นในวันอาทิตย์นี้ก็จะมาคุยกันในเรื่องของธรรมะนะธรรมะว่าคืออะไรอันนี้ถือเป็นหลักเลยนะก่อนที่เราจะมาปฏิบัติควรที่จะต้องรู้เข้อใจเสียก่อนคาว่าธรรมะนั้นถ้าว่าโดยความหมาย ในทางอัตกาถาท่านจะแบ่งออกเป็นสีความหมายด้วยกันสีความหมายด้วยกันธรรมะในความหมายกว้างที่สุดเป็นความหมายที่ครอบคลุมและกว้างที่สุดเลยธรรมะก็คือธรรมชาตินั่นเองนั่นคือธรรมชาติเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่กระทั่งตัวของเราความรู้สึกนึกคิดของเรานั้นก็เป็นธรรมชาติด้วยเข้าไป ขอไปด้วยพอดีว่าอรตมามีปัญหาเรื่องเสียงนิดหนึ่งอาจจะต้องฉันน้ําบ่อยนิดหนึ่งนะเจนพอ <c oughs> เพราะฉะนั้นความหมายที่กว้างที่สุดของธรรมะก็คือคาว่าธรรมชาติธรรมชาติในที่นี้ไม่ได้เป็นมเป็นความหมายธรรมชาติในภาษาไทยนะบางทีภาษาไทยบอกว่าคาว่าธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้เองแต่ถ้าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นไม่ใช่ธรรมชาตินะ มันที่ความหมายภาษาไทยเป็นแบบนั้นไปแต่ํารมะในที่นี้หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างเลยจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ตามสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นก็ตามร่างกายของเราจิตใจของเราความคิดของเราความรู้สึกของเราทั้งหมดนี้เป็นธรรมะในความหมายนี้ทั้งสิ้นเพราะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งที่เรายึดถือเอาไว้เป็นตัวตนของเราหรือเป็นชีวิตของเรานั่นเอง ซึ่งในธรรมะในที่นี้ถ้าโยมลองสังเกตดูจะเห็นว่ามันเต็มไปหมดเลยใช่ไหมแล้วเราอยู่กับสิ่งต่างๆเรานี้อยู่ตลอดอยู่กับธรรมะในตลอดเนะพียงแต่ว่าเราไม่รู้วิธีการปฏิบัติต่อเขาอย่างถูกต้องผลที่เกือกูลจริงยังไม่เกิดขึ้นนะอันนี้เป็นความหมายแรกมองอย่างนี้มองออกไปภายนอกตึกรามบ้านช่องนี่เป็นธรรมะไหมเป็นนะไมโครโฟนนี่เป็นธรรมะไหมเป็นนะ วัสดุอุปกรณ์ปัจจัยสี่ทั้งหมดเป็นธรรมะทั้งสิน้นนะแล้วคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยเป็นธรรมะไหมเป็นนะเมื่อเราเคารพในธรรมอย่าลืมเคารพในสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยนะแต่เคารพนี้เคารพให้ถูกวางท่าทีให้ถูกนะอา้าวเข้ามาร่างกายเราเป็นธรรมะไหมเป็นจิตใจเราละ่ะเป็นความรู้สึกนึกคิดของเราเป็นธรรมะทั้งสิน้นจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาและก็ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ให้ถูกต้องนี่แหละปฏิบัติธรรมละนะ ศึกษาและปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ให้ถูกต้องแล้วสิ่งเหล่า น, น, นี้จะสร้างจเจริญพรวิปภานก็เป็นธรรมะเช่นเดียวกันถุ ก, กต้องเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าพระพุทธเจา้าจะเกิดขึ้นมาหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาอันนี้ความหมายอย่างแรกความหมายนี้คือความหมายกว้างที่สุดของคําว่าธรรมะ ความมาอย่างที่สองสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่าสังเกตท่านสังเกตเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยการที่มันเกิดขึ้นแปลเปลี่ยนไปมันมีรูปแบบมันมีระบบของการเปลี่ยนแปลงอยู่การเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับเราหรือเกิดขึ้นกับสิ่งที่อยู่รอบข้างก็ตามไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะมีใครมาโดนบันดาล แล้วก็ไม่ใช่เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยคือเกิดขึ้นอย่างที่เราเรียกว่ามีลักษณะของอความบังเอิญ น, นะมันจึงเกิดขึ้นไม่ใช่ลักษณะอย่างนั้นมันมีรูปแบบของสิ่งต่างๆซึ่งส่งผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะเพราะฉะนั้นรูปแบบของการส่งผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่ามันมีอยู่ตามธรรมดาธรรมชาติ บางครั้งท่านจะตรัสเรียกสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าความเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติหรือปความที่มันสิ่งต่างๆนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเคยได้ยินใช่ไหมจจ เ, รเ จ, จ, จริญพรเดี๋ยวจะอธิบายต่อกันแล้วกันน ะ, จะเจริญพรความที่สิ่งต่างๆเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันนั้น หมายถึงสิ่งต่างๆทั้งหมดเลยนะทั้งรูปธรรมและก็นามธรรมซึ่งเวลาพระพุทธเจ้าท่านัดเรื่องนี้ท่านจะจัสเป็นหัวข้อทำหัวข้อหนึ่งนะอันนี้พูดเป็นหัวข้อให้ฟังก่อนแต่ยังขอไม่อธิบายรายละเอียดนะท่านก็พูดว่าสิ่งต่างๆเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุปัจจัยจริงเกิดหมดเหตุปัจจัยสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ตัดไปลหลักอันนี้เราเรียกว่าหลักอิทัพปัจจยตาโนะยมขงโยมบางท่านคงเคยได้ยินหลักนี้นะ เป็นการกล่าวถึงกฎเกณฑ์ของธรรมชาติรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติทั้งฝ่ายรูปธรรมและขนามธรรมทั้งหมดเลยแต่ว่าที่สิ่งที่พุะพุทธเจ้าเอามาสอนนั้นเอามาสอนเท่าที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เท่านั้นหรือเราอาจจะยึอีกอย่างหนึ่งว่าสิ่งต่างๆมีความเป็นเหตุเป็นผลไม่ใช่เหตุผลอย่างคําว่า reasoningthe reasons ในคำภาษาอังกฤษหรือเหตุผลแต่ภาษาไทยแบบนั้นนะ เป็นเหตุเป็นผลกันก็คือเป็นเหตุเป็นปัจจัยจึงก่อให้เกิดผลปกติเวลาใช้คําในภาษาอังกฤษ จ, จะใช้คําว่า cause and effect นะ cause and effect มีเหตุแล้วก็มีผลสิ่งต่างๆนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันและส่งผลกระทบซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเพราะว่าเหล่านี้เราจึงเรียกว เ, เป็นภาวะที่ที่เรียกว่าปฏิจจสมปุปบาทคืออาการที่สิ่งต่างๆเป็นเหตุ แล้วก็เป็นปัจจัยทําให้เกิดผลไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเลื่นลอยไม่มีใครมีไม่มีใครมาดยบันดาลสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นนอกจากนั้นแล้วมันก็จะมีลักษณะที่เป็นลักษณะธรรมชาติเลยเป็นลักษณะทั่วไปของธรรมชาติคืออาการที่สิ่งต่างเกิดขึ้นปรายสภาพแล้วจะดับไปเป็นแค่องค์ประกอบเข้ามาประกอบกันภาพวาดต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิจจารถงสังเกตเห็นในธรรมชาติ แล้วท่านก็เห็นแล้วเหตุปัจจัยแบบนี้จะส่งผลยังไงเหตุปัจจัยแบบนี้จะส่งผลยังไงท่านสังเกตมาตลอดมาสังเกตแล้วรู้ชัดมากที่สุดก็คือในวันที่ท่านตรัสรู้นั่นเองลักษณะอย่างนี้ท่านจึงตรัสว่ามันเป็นลักษณะอย่างหนึ่งเราเรียกว่าความเป็นไปของธรรมชาติหรือถ้าจะใช้เป็นภาษาธรรมะเราเรียกว่าธรรมนิยามนิยามในที่นี้ก็คือกฎเกณฑ์นั่นเอง กฎเกณฑ์หรือความเป็นไปของธรรมชาติซึ่งมันมีรูปแบบอยู่เพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์เข้าไปศึกษาและเข้าใจกฎเกณฑ์หรือรูปแบบเหล่านี้เราจะรู้ว่าถ้าเราต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเราจะต้องทําเหตุทำปัจจัยอะไรบ้างไม่ใช่นั่งนึกว่ามันเกิดนะหนึ่งต้องเข้าไปศึกษาให้รู้รู้เท่านั้นไม่พอต้องลงมือสร้างเหตุปัจจัยและทําเหตุปัจจัยด้วยผลนั้นๆจึงจะเกิดขึ้น และรู้ต้องรู้ให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงด้วยนี่คือสิ่งที่สําคัญเป็นหลักที่สําคัญในธทางพุทธศาสนาเลยเพราะฉะนั้นธรรมะในความหมายที่2จึงหมายถึงกฎของธรรมชาติหรือความเป็นไปของธรรมชาตินั่นเองอันนี้คือความหมายที่สองท่นโยมดู2 อ, อย่างนี้ก็จะเห็นว่า1นึ่พระพุทธเจ้าท่านสังเกตเห็นว่าหนึ่งธรรมชาติแบบนี้มีอยู่แต่ไม่ใช่มีอยู่คงที่นะมันเป็นภาวะที่ที่ปรากฏอยู่ตลอด 2การปรากฏของภาวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมามีเหตุปัจจัยมีรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงอันนี้คืออย่างที่สองนี่สองอย่างนี้เป็นภาวะหรือสภาพของธรรมชาติที่มีอยู่แล้วซึ่งสภาพหรือภาวะของธรรมชาติในที่นี้ถ้าจะจัดแบ่งออกไปพระพุทธเจ้าท่านสามารถจัดแบ่งได้อีกเป็นหลายแบบด้วยกันแต่ในที่นี้ที่อาตมาจะเอามากล่าวถึงจะเอามากล่าวถึงในแง่ ที่ว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับโยมนะในในตอนนี้ก่อนเพื่อที่จะเห็นภาพได้ชัดมากขึ้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสังเกตเห็นในธรรมชาตินั้นท่านสังเกตเห็นว่ามันมีอยู่นะธรรมชาติที่ไม่เกื้อกูลนะคำว่าไม่เกื้อกูลในที่นี้ก็คือเป็นภาวะหรือธรรมชาติที่จะมีอาการบีบคั้นทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นในมนุษย์ หรือทําให้เกิดสิ่งที่ไม่เกืกูลขึ้นในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมหรือสังคมเนี่ยอันนี้อย่างแรกซึ่งธรรมชาติที่ไม่เกืซึ่งธรรมชาติที่ท่านสังเกตนี้ถ้าจะจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ออกมาจัดแบ่งอีกแบบหนึ่งนะอันนี้จัดแบ่งอีกแบบหนึ่งท่านก็บอกว่าถ้าสังเกตธรรมชาติเอาเฉพาะเท่าที่มนุษย์จะต้องเกี่ยวข้องและมีผลต่อมนุษย์ก็จะสามารถแบ่งธรรมชาตินี้ออกได้เป็นสี่ สี่อย่างด้วยกันที่มนุษย์จะต้องเกี่ยวข้องอ้าวฟังแล้วต้องคิดตามนะดูว่าจริงหรือไม่จริงนะเป็นเพียงแค่ทฤษฎีความเชื่อหรือว่าเป็นความจริงในชีวิตของโยมธรรมชาติอย่างแรกเป็นธรรมชาติที่มนุษย์จะต้องเกี่ยวข้องเลยอ้าเราลองดูองค์ประกอบของมนุษย์มีอะไรบ้างหนึ่งมนุษย์ประกอบด้วยร่างกายคือสิ่งที่เราเรียกว่าร่างกายคือสิ่งนี้อันนี้จริงหรือเป็นความจริงหรือความเชื่อเอ่ย ความจริงใช่ไหมอา้าวใครไม่มีร่างกายยกมือขึ้น <c oughs> ไม่มีนะจะเป็นพนนะมีร่างกายทุกคนใช่หมอย่างที่สองเราใช้ร่างกายนี้ในการเกี่ยวข้องกับอะไรเอ่ยเกี่ยวข้องกับสิ่งภายนอกซึ่งสิ่งภายนอกเนี่ยถ้าจะบอกว่าเราเกี่ยวข้องกับอะไรในเวลาให้ตอบออกมาเราตอบได้เยอะแยะเลยแต่ถ้าจะจัดเป็นหมวดหมู่อย่างง่ายๆนะเพื่อให้สังเกตได้ชัด หนึ่งเราจะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งไม่มีชีวิตได้แก่วัตถุต่างๆอ้าวจริงหรือไม่จริงใครไม่ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้บ้างใครไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องใช้เสื้อผ้าไม่ต้องมีที่อยู่มีไหมไม่มีใช่ไหมสิ่งนี้ตอนเราต้องใช้ใครไม่ต้องใช้อากาศหายใจใครไม่ต้องใช้แสงสว่างมีไหมแล้วก็ไม่ต้องดื่มน้ําด้วยไม่มีใช่ไหม ธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยเราเรียกว่าธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตหรือเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพรวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ไมโครโฟนนะโทรศัพท์มือถือรถยนต์สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเหล่านั้นด้วยที่เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตอันนี้เป็นอย่างแรกที่มนุษย์จะต้องเกี่ยวข้องนะรวมไปถึงร่างกายของมนุษย์เอง เราจะรวมเรียกสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ น, นี่คือสิ่งที่มนุษย์จะต้องเกี่ยวข้องด้านที่สองเป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องเกี่ยวข้องด้วยก็คือมนุษย์จะต้องเกี่ยวขอ้องกับสิ่งมีชีวิตด้วยกันอ้าวใช่หรือไม่ใช่ใครอยู่โดยที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตเลยบ้างไม่มีใช่ไหมการเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตด้วยกันนี้ท่านจะรวมเรียกว่าสังคม เพราะฉะนั้นสังคมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะมนุษย์เท่านั้นแต่หมายถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆด้วยรวมไปถึงผู้ที่อยู่ในภพภูมิอื่นๆด้วยเราจะเรียกว่าสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคมนี่คือสิ่งที่มนุษย์จะต้องเกี่ยวข้องด้วยและมีผลต่อมนุษย์ใช่ไหมอย่างที่สามมนุษย์ต้องเกี่ยวข้องกับอะไรอีกร่างกายและสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพสังคม อย่างที่สามนต้องเกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นองค์ประกอบของมนุษย์เลยและก็มีอยู่ตลอดเกี่ยวข้องกับจิตใจของเราเองอ้าวจริงไมจริงความรู้สึกความนึกคิดอาการหมายรูนะ้รวมไปถึงในเรื่องของสภาพรับรู้ต่างๆเราต้องเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเลยใช่ไห มีใครไม่เกี่ยวข้องกับความคิดความรู้สึกบ้างมีไหมไม่มีใช่ไหมแล้วความคิดความรู้สึกเนะี่ยมันเป็นตัวผลักดันเป็นตัว drive เราให้ทําสิ่งต่างๆด้วยใช่ไหมใช่นี่คือสภาพธรรมชาติอย่างที่สามเราเรียกว่าจริงๆแล้วเราจะรวมเรียวามพวกนั้มาทําทั้งหลายเนี่ยความรู้สึกนึกคิดต่างๆก็หรือจิตใจนั่นเองอันนี้ด้านที่สามด้านที่สี่ที่เราจะต้องเกี่ยวข้อง ก็คือเราจะต้องเกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจกับสิ่งต่างๆไม่เช่นนั้นเราจะเกี่ยวข้องแล้วก็ทำสิ่งต่างๆไม่ได้ภาษาธรรมะเราเรียกว่าด้านของปัญญาปัญญาคือความรู้ความเข้าใจนั่นเองถ้าเป็นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องการที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆก็จะก่อให้เกิดผลเกื้อกูลแต่ถ้าเป็นความรู้ความเข้าใจที่ผิดไปการไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมสังคมหรือจิตใจของเรา ก็จะก่อให้เกิดสภาพที่ไม่เกื้กูลหรือเป็นทุกข์เกิดขึ้นอ่าอันนี้เป็นความจริงหรือความเชื่อเอ่ยความจริงใช่ไหมอย่าเพิ่งเชื่อพระนะอย่าเพิ่งเชื่อพระทันทีนะปรองใช้เชื่อทันทีก็เรียกว่าไม่ปฏิบัติตามคําสอนของ พ, พระพุทธเจ้านะให้คิดพิจารณาเสียก่อนนะหลักที่สําคัญเลยนะเวลามาศึกษาที่นี่ฟังเสร็จแล้วคิดพิจารณาเทียบเคียงแล้วก็ดูว่าจริงไหมในชีวิตของเราที่ ที่เล่าให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนแบบนี้เนี่ยมันเป็นจริงอย่างแท้จริงอย่างในชีวิตของเราหรือเปล่าภาษาธรรมะเราเรียกว่าต้องโยนิโสมนสิการคิดพิจารณาแล้วก็เทียบเคียงแล้วก็สังเกตกับชีวิตของเรานีมันชีวิตของเราเนี่ยเกี่ยวข้องอยู่กับสี่อย่างอย่างเงี้ยแต่เวลาเราไปบัญญัติเป็นคําพูดนะมีคําพูดเยอะแยะเลยใช่ไหมเอาแค่เรียกวัตถุที่เรามองเห็นมีเยอะแยะพูดทั้งวันก็ไม่จบใช่ไหม มันสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเราเกี่ยวข้องอย่างไรนะลองสังเกตดนะูเราเกี่ยวข้องอย่างไรหนึ่งเราใช้ตาหูจมูกลิ้นกายในการรับรู้สิ่งแวดล้อมและสังคมเข้ามาใช่ไหมเมื่อประสาททํางานใจรับต่อใจคิดปรุงแต่งแล้วก็ส่งผลกระทบไปที่ระบบประสาทออกไปสู่ร่างกายร่างกายก็ออกไปกระทบกับสิ่งแวดล้อมและสังคม สิ่งวแวดล้อมและสังคมก็จะมีการแปเปลี่ยนตามกฎของธรรมชาติและเราก็ต้องรับสิ่งเหล่านั้นเข้ามาผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายผ่านทางระบบประสาทนั่นเองแล้วใจก็รับต่อจากระบบประสาทอีกทีหนึ่งแล้วจากนั้นก็เกิดความรู้สึกเกิดความคิดเกิดความปรุงแต่งอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นแล้วก็จะไปส่งผลกระทบต่อร่างกายชีวิตมนุษย์วนเวียนอยู่แค่นี้แหละอา้าวจริงหรือไม่จริง สังเกตเองนะสังเกตเองใครที่พ้นจากวงจร น, นี้ได้บ้างมีไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีเราจะอยู่ตรงเนี้แหละวงจรวนวีนอยู่แค่เนี้ยแล้วก็ติดอยู่กับความรู้สึกชอบใจแล้วชอบไม่ชอบใจตามสิ่งที่เรากําลังนึกคิดแล้วก็กรตามสิ่งที่เรากําลังปรุงแต่งแล้วก็วนเวียนอยู่อย่างเนี้ยเป็นชีวิตของเราแล้วแต่และเราจะนึกคิดปรุงแต่งกับความรู้สึกอย่างไรมันก็จะเปลี่ยนสภาพไปเรื่อย ตามเหตุตามปัจจัยของเขาอันนี้คือเป็นสภาพธรรมชาติที่มีอยู่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสังเกตเห็นและอย่างที่บอกนะพวกนี้มีเหตุปัจจัยทั้งสิ้นที่ทําให้เกิดภาวะเราต่างๆเหล่านี้แม้กระทั่งความรู้สึกในคิดที่เกิดขึ้นกับเรามันก็มีเหตุปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นแบบนี้กับเราก็มีเหตุปัจจัยสมบนกสระทบซึ่งกันและกันตลอดดังั้นในที่นี้เรามาศึกษาที่ชีวิตของเราเลยธรรมะก็คือการศึกษาที่ตรงนี้แหละชีวิตของเราเป็นอย่างไร จะเรียนพร้เป็นอย่างนั้ น, น, น, น, นถูกต้องจะเรียนพอรอมนะอานะจากนั้นในสภาพธรรมชาติแบบนี้พระพุทธเจ้าท่านสังเกตลึกไปขอนั้นว่าภาวะแบบนี้เนี่ยอาจจะแปลงได้อีกแบบนนหนึ่งหนึ่งสิ่งแวดล้อมสังคมหรือร่างกายแม้กระทั่งสภาพจิตใจหรือความนึกคิดก็ตาม มีทั้งรูปแบบที่เกื้อกูลแล้วก็ไม่เกื้อกูลเอาขอกล่าวถึงไม่เกื้อกูลก่อนค่แล้วกันไม่เกื้อกูลในที่นี้ก็คือเป็นรูปแบบที่ทำให้เกิดปัญหาโดยเฉพาะกับมนุษย์แล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมทำให้เกิดปัญหาก็ให้เกิดความทุกข์ก่อให้เกิดความบีบคัน้นก็ให้เกิดความทุกข์ก็ให้เกิดความไม่สบายภาวะอย่างนี้มีอยู่ในธรรมชาติ อ้าวอย่างสิ่งแวดล้อมยมลองยกตัวอย่างได้ไหมมีไหมสภาพที่ไม่เรื่อกูลในแง่ของสิ่งแวดล้อมมีไหมสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพเช่นลองไปนั่งอยู่ที่ประตูน้ำตอนนีนน้สิในวันอาทิตย์ตอนที่คนจอกแจ๊กจอแจ๋แล้วลองไปนั่งสมาธิหายใจลึกๆดิ่มถนนดูสิเป็นยังไงตอนนั้นเรื้อกูลไหม ไม่เกื้อกูลนั่งยังไงก็ไม่สงบเสียงคนก็จอกแจกจอกแจเสียงรถก็ดังใช่ไม่ใช่เนี่ยภาวะที่ไม่เกื้อกูลใช่ไหมหรือเราลองดื่มน้ําที่สกรปรกสิความไม่เกื้อกูลจะเกิดขึ้นทันทีต่อร่างกายของเราใช่ไม่ใช่ดื่มลงไปเสร็จแล้วบางทีอาเจียนออกมาเลยหรือท้องเสียใช่ไม่ใช่เนี่ยภาวะอย่างนี้มีอยู่หรืออากาศที่เป็นพิษหรือแม้กระทั่งวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ ภาวะที่ไม่กิดระโยนของสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ใช่ไม่ใช่นะซึ่งเป็นภาวะที่จะก่อให้เกิดปัญหากับตัวมนุษย์เองภาวะเหล่านี้จะก่อให้เกิดปัญหากับตัวมนุษย์นะ น, นั่นคือในด้านของสิ่งแวดล้อมคงไม่ต้องยกตัวอย่างมากกว่านี้และนะโยมลองพิจารณาดูในทุกๆวันที่โยมกําลังประสบกับละกันเราจะเห็นภาวะอย่างนี้อยู่ตลอดทางที่สองในแง่ของสังคม คือในแง่ของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตมีไม่ภาวะที่ไม่เกื้อกูลมีไหมเอ่ยมีใช่ไหมที่ผ่านมาในในสังคมไทยเห็นชัดเลยใช่ไหมยอยู่แล้วม้มันมองไปทางไหนมันรู้สึกทุกข์อึดหนักเกิดความขัดแย้งหรือแม้แต่กระทั่งอาการที่เราทําหน้าที่การงานก็มีคนนั้นมาว่ามีคนนั้นมากระทบเบียดเบียนซึ่งกันและกันหรือเอาเปรียบหรือถูกหลอกลวงหรือถูกขโมยของอย่างนี้เป็นต้น หรือแม้แต่กระทั่งถูกเขาทำร้ายใช่ไม่ใช่มีใช่ไหมนี่คือในแง่ของสังคมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแย่งชิงการอิจฉาริษยาซึ่งกันและ ก, กันนะการเอารัดเอาเปรียบการบิดเบียนกันการลักขโมยหรือแม้แต่กระทั่งการประพฤติทางเพศนะการดื่มสุราการที่เราอยู่ด้วยกับคนใดคนหนึ่งแล้วเราไม่สามารถไว้วางใจเขาได้เกื้อกูณไว้อย่างนี้ ไม่อยู่แล้วมันอึดอัดเป็นทุกข์เลยใช่ไหมใช่นี่ในด้านของสังคมมีใช่ไหมภาวะที่ไม่กื้กูลในด้านร่างกายแต่ภาวะที่ไม่กืก้ ก, ก, กูลมีไหมมีไหมเอ่ยมีอย่างตอนนี้กําลังระบาดหนักเลยคืออนะเขาบอกว่าไม่ไม่ให้เรียกว่าไข้หวัดเม็กซิโกแล้วนะไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ใช่ไหม หรืออย่างตอนเช้าวันนี้ถ้าใครไม่ได้กินอาหารมามานั่งตอนนี้จะเริ่มสังเกตเห็นภาวะที่ไม่เกกูลเกิดขึ้นแล่วใช่ไหมนั่งอยู่มันโหยมันชักจะเป็นลมมันชักจะหมดแรงใช่ไหมหรือนอนหลับมาไม่พอไปไงนั่งตอนนี้ชักมึนชักง่วงใช่ไหอย่างนี้เป็นตอนนี้ภาวะที่ไม่เกืกูในด้านร่างกายอาการที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือใครไม่ได้อาบน้ำมาตั้งแต่เมื่อวานมานั่งตอนนี้ในชักคันลใช่ไหมใช่ในภาวะที่ไม่เกอกูในด้านร่างการ่วมไปถึงโรคภัยข้เจบต่าง อาการหรือสภาพที่ร่างกายมาทํางานทํางานไม่ได้อย่างที่มันเคยทํางานได้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้มีอยู่ใช่ไหมอ้าคร้อ น, นี้มาทางด้านจิตใจบางมีไม้มภาวะที่ไม่เกื้กูลทางด้านจิตใจอันนี้ให้ฤทิ์ออกมาโยมจะเห็นเลยมีเยอะแยะเลยใช่ไหมไม่ว่าจะอาการหงุดหงิดขัดใจอาการโกรธไม่ชอบใจนะภาวะไม่เกื้กุลทางด้านจิตใจเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราจะรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นทุกข์อึดอัดคับข้อง อาการง่วงเหงาหานอนเบื่อหน่ายซึ่งซึมเนี่ยพวกนี้ภาวะไม่กระตุ้นด้านจิตใ จ, จทั้งสิ้นใช่ไหมเกิดขึ้นมาเมื่ อ, อไหร่เราไม่สามารถที่จะทํากิจหน้าที่ได้รวมไปถึงอาการที่เราเพลินอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือติดใจยอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจึงทําให้เราไม่สามารถเอากําลังแรงกายแรงใจไปทําหน้าที่ได้มันมัวแ ต, ต่ติดอยู่กับสิ่งที่เราชอบเป็นไม่เอ่ยอ่านหนัง้นเรื่องนี้กําลังสนุกไม่อยากอ่าน อ่าไม่รู้เรื่องใช่ไหมอยากไปเที่ยวกับเพื่อนแต่ม่ต้องทำงานชักไม่มีสมาธิที่จะทำงานละภาวะไม่เกื้อกูลใช่ไหมภาวะไม่เกื้อกูลน่าจิตใจในด้านความรู้ความเข้าใจที่ไม่เกื้อกูลมีไหมมีถ้าเราขาดความรู้ความเข้าใจหรือรู้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเข้าแล้วไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเข้าเป็นยังไงคราวนี้เกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลไม่เกื้อกูลนะ มันเวลาศึกษาธรรมะให้ส to well ังเกตในชีวิตแบบนี้มันภาวะที่ไม่เกื้อกูลหรือธรรมชาติที่ไม่เกื้กูลมีอยู่ตลอดแล้วเราต้องเกี่ยวข้องอยู่ตลอดคราวนี้เราต้องปฏิบัติกับมันให้ถูกต้องด้วยแต่นี้ยังไม่พูดถึงในเรื่องของการปฏิบัติต่อมันอันนี้แบ่งนะเราเรียกว่าจัดกลุ่มก่อนจัดกลุ่มก่อนอันนี้เราเรียกว่าภาวะที่ไม่เกื้อกูลมันภาวะที่ไม่เกื้กูลที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านจึงตรัสแน่นอนว่าวางท่าทีกับมันให้ถูกต้องนะ สิ่งที่ไม่เกืกูลเหล่านี้ถ้ายังไม่เกิดเราสมควรให้มันเกิดขึ้นไหมไม่ใช่ไหมแล้วถ้าเรารู้ว่ามีเหตุปัจจัยอะไรที่จะทําให้ภาวะที่ไม่เกืกูลเหล่านี้เกิดขึ้นเราควรที่จะไปทําเหตุปัจจัยเหล่านั้นไหมไม่ควรอันนี้ความจริงหรือความเชื่อพิสูจน์ด้วยตัวเองเลยนะพิสูจน์ด้วยตัวเองเลยเรื่องต่างๆเหล่านี้นะดงั้นภาวะที่ไม่เกืกูลนี้ หรือไม่ดีงามนะเพื่อว่าที่ไม่เกื้อกูลไม่ดีงามก็ให้เกิดปัญหากับมนุษย์นะและจะเป็นเหตุก่อให้เกิดทุกข์กับมนุษย์พระพุทธเจ้าท่านก็เลยตรัสเรียกภาวะเหล่านี้มันมีเยอะเลยใช่ไหมท่านก็เลยจัดเป็นกลุ่มกลุมหนึ่งนะท่านเรียกว่าอะไรเอ่ยเป็นธรรมชาติพวกนี้เราเรียกว่าเรียกว่าสังคมไทยใช้กันมานานแล้วละ่ะเรียกว่าอะไรเอ่ยคนที่เรียนมาแล้วยังไม่ต้องตอบก็ได้หรือคนที่เรียนมาแล้วก็ยังนึกไม่ออก พอพูดออกมาคำเดียนในโยมล้องอ๋อทันทีโอ้ยรู้แล้วคำนี้แต่ไม่แต่ไม่เคยเข้าใจความหมายไม่เคยมองเห็นในชีวิตใช่หรือไม่ใช่อ้าวนะเดี๋ยวจะแตกสับให้เห็นก่อนคำว่าเกือกูลดีงามทำให้เกิดความสุขประกอบด้วยปัญญาภาษาธรรมะท่านมีคำเรียกว่ากุศลอ๋อหรือยังคนนี้อ๋อแล้วนะธรรมะก็ ธรรมชาติก็ท่านเรียกสั้นๆว่าทำคำว่าไม่เป็น p ร e ฟิกเนี่ยเป็น p ร e ฟิกเวลาท้านแทอันมาเติมในภาษาบ า, าลีท่านจะใช้คำว่าอะนำหน้านะอะนี่เป็น p ร e ฟิกมีความหมายว่าไม่รวมสามคำเข้าด้วยกันธรรมชาติที่ไม่เกื้อกูลไม่ดีงามนี้จึงเรียกว่าจำได้เถใช่ไหม <c oughs> อ่ะเนี่ยแหละนะอย่าเอาแค่ท่องจํานะไม่ได้เลยนะเราต้องสังเกตนะศึกษาธรรมะเนี่ยจะต้องสังเกตให้อยู่ในชีวิตของเราเลยแล้วเราจะเห็นธรรมะอยู่ตลอดเวลาในชีวิตของเราเนี่ยคือสิ่งที่เราเรียกว่าอะกุศุลธรรมนะโดยเฉพาะถี่สิ่งที่สําคัญเลยก็คือในเรื่องของเจตนาหรือจิตใจของเราตรงเนี้สําคัญมากนะภาวะที่ไม่ดีงามก็กลุนแม้เกิดขึ้นถ้าเราตั้งเจตนาได้ถูกมันอาจจะกลายเป็น ประโยชน์หรือการเป็นกุศลสําหรับเราก็ได้เนขึ้นอยู่กับตรงนี้ประกอบด้วยนะขึ้นอยู่กับเจตนาหลกกืการมองของเราประกอบอ่านเข้าใจนะคาว่าอากุศลธรรมนะมัถามว่าอากุศลธรรมอยู่ที่ไหนมีอยู่ทั่วไปนะแต่ที่สําคัญคือเจตนาหรือจิตใจของเราตรงส่วนนี้นะอันนี้เป็นเรื่องความจริงหรือความเชื่อเอ่ยความจริงนะต้องคอยเน้นย้ําเพราะว่าคนสมัยใหม่บางทีบอกพุทธศาสนาเป็นเรื่องของความเชื่อ อตาตมาก็เลยต้องขอเน้นย้ำนิดหนึ่งว่ามันไม่ใช่นะมันอยู่ที่ผู้ศึกษาเข้าใจไหมเข้าไปสังเกตจริงๆหรือเปล่าถ้าเข้าไปสังเกตจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของความเชื่อเลยนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าสอนแล้วบอกว่าจะต้องเชื่อตามนั้นท่านไม่ได้บอกว่าจะต้องเชื่อตามท่านแต่ท่านชี้ให้เห็นถึงธรรมชาติให้เราเข้าไปสังเกตเมื่อสังเกตเราจะเห็นว่าสิ่งที่ท่านตรัสนั้จริงเราต้องให้ได้ถึงขั้นนั้นนะเชื่อก่อ น, นเป็นสิ่งที่ดีก็คือถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่าเพิ่งไปทํา แต่อย่าหยุดแค่ความเชื่อนะครัพุทธศาสนาจะไม่ได้หยุดแค่ความเชื่อต้องเข้าไปเรียนรู้ให้รู้จักและให้เข้าใจแล้วก็ให้เห็นจริงตามนั้นด้วยนะอ่าวนี้อย่างแรกที่2 ส, สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่าสังเกตเห็นในธรรมชาติภาวะในธรรมชาติไม่ใช่มีแต่สิ่งที่ไม่เครื้อกูลหรืออกุศลธรรมเท่านั้นมันมีอยู่ภาวะที่เครื้อกูลนะภาวะที่ก่อให้เกิดผลดี ทำให้มนุษย์มีความสุขได้มละเกื้อกูลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเกื้อกูลต่อสภาพจิตใจของมนุษย์มีอยู่อลองยกตัวอย่างได้ไหมเอ่ยช่วยกันคิดนิดหนึ่งในแง่ของสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพมีไหมภาวะที่เกื้อกูลมีไหมเอ่ยมีไหมมียกตัวอย่างเช่นการที่เราทานอาหารครบหมู่ เป็นยังไงคราวนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจของเราได้ทานอาหารเป็นเวลาไม่ไม่หอยหิวเป็นยังไงสบายใช่ไหมนี่ภาวะที่เครือกูลนะหรืออย่างโยมมานั่งอยู่ที่วัดยานเวสสกวันแห่งนี้สุดลมหายใจเยอะึกๆยาวรูสงง้สึกยังไงเอ่ยสดชื่นเพราะว่ามีต้นไม้เยอะใช่อากาศดีอากาศบริสุทธิ์นี่ก็เป็นภาวะเสียงแวดล้อมทางด้านกายภาพที่เครือกูล อากาศที่ดีน้ําที่ไม่เน่าเหม็นน้ําที่ใสสะอาดใช่ไม่ใช่นะรวมไปถึงอาการสถานที่สะอ า, ะอาเดเรียบร้อยนะยังอยู่ที่บ้านก็ต้องพยายามจัดให้เกิดภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นนี่แหละคือภาวะที่เครือกูลนะหรือแม้กระทั่งวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยที่มันสามารถทํางานได้ตามหน้าที่ทําให้เรามีความสะดวกก็สามารถสร้างสารรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์เกิดขึ้นได้ พวกนี้ก็เป็นภาวะที่เกื้อกูลใช่ไหมเป็นภาวะที่เกื้อกูลเอาในด้านของสังคมละ่ะมีไหมภาวะที่เกื้อกูลมีไหมเอาลองยกตัวอย่างสิเช่นเายกตัวอย่างง่ายๆเช่นคุณพ่อคุณแม่เวลาเห็นลูกแล้วเรามีเมตตาต่อลูกตอนนั้นรู้สึกยังไงเอ่ยเรารู้สึกยังไงเราเป็นลูกท่านยิ้มแย้มแจ่มใสให้กับเราเรารู้สึกยังไงดีมีความสุขใช่ไหม เราอยู่ในสังคมมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมีการบอกการสอนการแนะนําในสิ่งที่ดีงามมีการเตือนเมื่อทําสิ่งที่มีดิีเตือนด้วยความรักความปรารถนานดีจริงๆเรารู้สึกยังไงเวลาเราอยู่ในสังคมอย่างนั้นรู้สึกดีเราทําหน้าที่การงานกําลังทําหน้าที่การงานยกของไม่ไหวมีเพื่อนเข้ามาช่วยยิ้มแย้มแจม่มใสมีน้ําจิตน้ําใจรู้สึกยังไงเอ่ยเกื้อกูลไหมนั่นแหละในแง่ของสังคมอยู่ด้วยการมีความซื่อสัตย์ ต่อกันนะมีความซื่อสัตย์ต่อกันไม่ทะเลาะเบาแวงซึ่งกันและกันนะทําให้เราสามารถเชื่อถือซึ่งกันและกันได้เป็นยังไงเกื้อกูลไหมอย่างนี้เกื้อกูลอนี่คือธรรมชาติที่เกื้อกูลซึ่งมีอยู่แล้วในชีวิตประจําวันของเราใช่ไม่ใช่อาในด้านร่างกายละ่ะภาวะที่เกื้อกูลมีไหมในด้านร่างกายเช่นอย่างตอนเนี้ยนั่งแล้วรู้สึกสบายเนื้อสบายตัวร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะ อุณหภูมกกำลังพอเหมาะพอดีกับเราอย่างนี้เป็นต้นร่างกายก็เกิดความเกื้อกูลเกิดขึ้นใช่ไหมด้านจิตใจละ่ะมีไหมเป็นยังไงภาวะที่เกืกูลทางด้านจิตใจยกตัวอย่างเช่นเวลาเรานึกเ ร, น, กเร น, กนึกถึงสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเช่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือสิ่งที่ดีงามที่เราได้ทําหรือที่ผู้อื่นได้ทำนะเกิดความเรื่มใส่ศรัทธาในสิ่งที่ดีงามตอนนั้นใจเรารู้สึกยังไงเอ่ย อิ่มใจปลอดโปรง่งผ่องใสนั่นแหละภาวะเครือกูลนในด้านจิตใจตอนที่จิตใจเราดีงามกับคนคนอื่นทุกๆคนมีเมตตาปรารถนาดีมีความการุณานะหรือเวลาเรานึกถึงผู้อื่นในทางที่ดีเป็นยังไงตอนนั้นจิตใจเราเป็นยังไงเครือขูลดีงามภาวะที่เครือขูลทางด้านจิตใจนะในด้านความรู้ความเข้าใจละ่ะเมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องสามารถแก้ไขปัญหาได้ตอนนั้นเราจะรู้สึกยังไงเอ่ย พองสายดีงามมีความสุขใช่มหมยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเราเข้าห้องสอบทําข้อสอบเนี่ยศึกษามาดีสามารถทําข้อสอบได้วันนั้นเข้าห้องสอบมีความสุขหรือความทุกข์โอ้สุขเลยนะออกมาี่แหมเดินเรียกว่าตัวพองเลยใช่ไหมทําเต็มทําได้เต็มแน่ๆใช่ไหมใช่เนี่ยถ้ามีปัญญาแก้ไขปัญหาได้มันก็เกิดความเกื้อกูลเกิดขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีปัญญาแก้ไขปัญหาไม่ได้ออกมาในตัวตัวหดเลยใช่ไหม คอตกตัวหดหมดเลยใช่ไหมหอเหี่ยวเลยใช่ไหมใช่นั่นแหละนั่นแหละนั่นมันมีอยู่นะภาวะที่เกืกูลในธรรมชาติและเป็นสิ่งที่โยมจะต้องเกี่ยวข้องภาวะเกืกูลอย่างนี้ถ้าเรารู้ว่าภาวะที่เกืกูลยังไม่เกิดขึ้นกับเราเราควรทํายังไงเอ่ยถ้าเห็นว่ามันยังไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเราควรทํายังไงต้องสร้างมันขึ้นมาแล้วถ้าเรารู้ว่ามีเหตุปัจจัยอะไรที่จะจก่อให้เกิดภาวะเกืกูลเหล่านี้ สิ่งที่เราควรทาคือทำเหตุทาปัจจัยนั้นให้เต็มที่ใช่ไหมใช่แล้วถ้าภาวะเกือกูนั้นกาลังอยู่กับเราละ่ะเราควรทำยังไงกับภาวะเช่นนี้รักษาเอาไว้พัฒนามันให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปในอย่างจิตใจที่ดีงามเนี่ยมาที่วัดเรารู้สึกจิตใจปลอดโปร่งผ่องใสดีงามนี่พยายามรักษ า, าไว้ยับย่อยให้คนขับรถปาดหน้ามมาเอา ขโมยความรู้สึกเช่นนี้เราไปใช่ไหมอย่าปล่อยให้รถติดมันมาขโมยความรู้สึกเช่นนี้ไปเพราะไอ้พวกนั้นมันภาวะไม่เกี่ยกูมันจะวิ่งเข้ามาทิ้งมันไปให้หมดเลยใช่ไหมจะให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยพยายามรักษาตรงนี้เอาไว้เนียถ้าเป็นภาวะเกี่ยวกูลเนี่ยเราจึางต้องคอยหมั่นรักษาเอาไว้ถ้ามันเกิดขึ้นถ้ายังไม่มีก็พยายามทําให้มันมีขึ้นมาให้สมบูรณ์ถึงพร้อมขึ้นมานีอันนี้สําหรับอ่าภาวะที่เกี่ยกูล อาจากนั้นในธรรมชาติพระพุทธเจ้าสังเกตกลองไปเล็กมากกว่านั้นเองมันมีเหตุปัจจัยอยู่นะที่ทําให้มนุษย์เกิดความทุกข์นั่นก็คือความขุนมัวเศร้าหมองในจิตใจของเราเองภาวะอย่างนี้เป็นภาวะที่ไม่เกือ้อกูลแต่มีอยู่ภาวะอีกภาวะหนึ่งนะที่เป็นภาวะเกือ้อกูลอย่างสูงสุดเลยเป็นสิ่งที่จะทําให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์ได้ดังสิ้นเชิงด้วย ภาวะเช่นนี้จะขอกล่าวถึงภาวะที่ไม่เกืกูลก่อนในระดับสูงนะภาวะแบบนี้เป็นสิ่งที่เราประสบอยู่ตลอดเวลานะเป็นลักษณะอาการที่เราประสบอยู่ตลอดเวลาอา้าวอาการเป็นอย่างไรในที่นี้แทนที่อาตมาจะอธิบายเป็นคําพูดอย่างยืดยาวอยากจะให้โยมสังเกตเองจากจิตใจของโยมมากกว่าก็จะขอยกเป็นตัวอย่างให้กับโยมเลยขอให้โยมคิดตามนะดูว่าเราคิดอย่างไรและรู้สึกอย่างไร กับเหตุการณ์ต่อไปนี้ถ้าเกิดขึ้นกับเราสมมติว่าขอไป สมมว่าตอนนี้โยมกําลังอยากได้ของสักอย่างหนึ่งเอาเป็นรถก็แล้วกันนะยี่ห้ออะไรดีเอ่ยยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรดีอยากได้ยี่ห้ออะไรเรื่องเอาเองก็แล้วกันนะคนไทยส่วนใหญ่ก็เบนซ์ใช่ไหมส่วนใหญ่ก็เบนซ์ถ้ามีเงินก็บอกก็อยากได้เบนซ์สมมตินะโยมกําลังอยากได้รถคันหนึ่งหลังจากโยมไปเดินในงานมอเตอร์โชว์เสร็จเรียบร้อยแล้วถูกใจรถคันนี้มาก ถูกใจรถคันนี้มากหมายตาไว้จะซื้อรถคันนี้สีอย่างนี้ออปชั่นอย่างนี้เบาแบบนี้ตกแต่งแบบนี้ทุกประการกำลังเก็บเงินซื้อรถคันนี้อยู่ต่อมาโยมเห็นรถอย่างที่โยมชอบทุกประการเลยแต่ไม่รู้ของใครนะแล้วยมก็ไม่รู้จักกับเจ้าของรถด้วยเขาขับรถมาจอดที่ีที่หน้าบริษัทของโยม แล้วเจ้าของรถนั้นก็เดินลงจากรถเปิดประตูปิดประตูเดินลงจากรถไปไม่ถึงยี่สิบเก้าปรากฏว่ามีรถบรรทุกจากที่ไหนไม่ทราบวิ่งมาด้วยความเร็วหักหลบรถคันข้างหน้าเสียหลักพุ่งชนรถคันนั้นน่ะตุ้มไฟลุกท่วมทั้งคันเลยไม่ใช่รถของโยมไม่รู้รถของใครโยมกําลังจะเดินเข้าไปทํางานเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นโยมรู้สึกยังไงเอ่ย ตกใจใช่ไหมบางทีก็ตกใจนะตกใจโอ้เกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ไปทํางานต่อได้ไหมเอ่ยได้ไหมไม่ใช่รถของโยมโยมไม่รู้จักเจ้าของรถด้วยได้ไหมเอ่ยได้นะสบายมากเลยใช่ไหมไปทํางานเสร็จปุ๊บดีไม่ดีเอาเรื่องนี้ไปนั่งคุยกับเพื่อนด้วยใช่ไหมโอ้มันเคช้าดมาเช้านะเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นรถคันอย่างแพงไอ้เจ้าของคนขับรถเนี่ยบรรทุกเนี่เสร็จแน่แน่เลยนะทํางานทั้งชาติของใช้ไมหมดแล้วนะ ใช่ไม่ใช่ต่อมาเพื่อนบอกว่าปะไปกินข้าววันนี้พอดีมีเงินได้เงินมาเดินเดือินออกจากเลี้ยงข้าวเพื่อนพาไปกินข้าวมื้ออร่อยมือ้อละสักสองสามพันบาทยมมีเวลาว่างไปกินได้ไหมได้แล้วกินอย่างอริอร่อยไหมอร่อยทั้งทั้งที่เพิ่งเห็นเหตุหการณ์รถชนเมื่อเช้าเนี่ยแหละเพื่อนพาไปเลี้ยงหนังต่อไปดูหนังแล้วหนังเรื่องนี้สนุกมากยมไปดูได้ไหมถ้ามีเวลา ไปดูได้แล้วไปดูได้อย่างสนุกสนานใช่ไหมใชนะ่อันนี้เหตุการณ์อย่างที่หนึ่งนะรถชนไฟลุกท่วมทั้งคันนะแต่โยมก็ยังไปกินข้าวไปดูหนังยังทํางานได้ตามปกตินะอาจจะรู้สึกตกใจบ้างเล็กๆน้อยน้อยนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้เป็นทุกข์อะไรมากมายใช่ไหมใช่คราวนี้เหตุการณ์อย่างที่สองถ้ารถคันนั้นเป็นรถของ คนที่โยมเกลียดมากๆอ้นี้ศัตรูคู่แค้นเลยเขาซื้อรถได้ก่อนเราเมื่อวานนี้ยังขับปาดหน้าเราแล้วก็เปิดกระจกออกมาเยอะๆโอ๊ยท้ำได้าอย่างแกไม่มีทางซื้อรถคันนี้ได้หรอกคนคนนี้โกงเงินเราโกงเงินเราเป็นเป็นล้านเลยแล้วมันเอาไปซื้อรถคันนี้หลอกแล้วก็โกงเงินเราเพิ่งซื้อออกมาป้ายแดง ออกมาได้ไม่ถึงสี่วันเรารู้แล้วว่าเขายังไม่ได้ประกันรถนะขับจอดหน้าบริษัทเอ๊ะไอ้คนนี้เดินลงมาเสร็จปุ๊บพยักเพ ย, พ ย, พย์ทำหน้าพยักเพย์กับเราในเชิงของเยอะเยะ้ยแล้วก็เดินออกไปจะเข้าบริษัทเดินไปได้ไม่ถึงยี่สิบเก้าเหตุการณ์อย่างเดียวกันเกิดขึ้นรถบรรทุกพุ่งชนโตมคนนี้ไฟลุกท่มทั้งคันรู้สึกยังไงคนนี้ เป็นกรรตามทันนะคงไม่ต้องถามแล้วมั้งดูหน้าโยมก็รู้แล้วนะว่ารู้สึกยังไงนะวันนั้นไม่ได้กินข้าวเช้ามามันยังอิ่มไม่ได้ทั้งวันเลยใช่ไหมแปรผันกับความเกรียดกับคนคนนั้นใช่ไหมถ้าเรายิ่งเกลียดเขามากโกรธเขามากมันยิ่งมีความสุขมากยิ่งอิ่มใจมากใช่ไม่ใช่อ้าวนี่กรณีที่สองนะวันนั้นเพื่อนไม่ต้องเลี้ยงข้าวเรามันที่เราอยากจะเลี้ยงข้าวเพื่อนด้วยซ้ำเลยใช่ไหม อ้าวนี่ความรู้สิที่สองนะอย่างที่สามถ้ารถคันนั้นเป็นรถของโยมโยมเก็บเงินมาสิบปีเก็บหอมรอมริดยอมทำโปทีไม่ยอมไปเที่ยวใช้ใจ่ายอย่างประหยัดสุดๆเลยนะเพราะอยากได้รถคันนี้มากเก็บเงินมาสิบปี ซื้อรถคันนี้ได้ออกมาได้ไม่ถึงสี่วันใต้ายแดงยังไม่ได้ประกาศว่าไม่มีเงินประกัน <c oughs> นะยังไม่ได้เรียกประกันมาทำประการรถเลยวานน้องนะให้ช่วยขับรถไปจอดให้หน่อยไอ้เราก็ยืนอยู่ก็เห็นรถคันเนี้ยน้องขับรถปึ๊ดไปจอดเอียดอยู่ข้างหน้าตรงที่จอดรถเปิดประตูลงมาเดินไปได้ไม่ถึงยี่สิบเก้าเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนกันรถบรรทุกพุ่งชนคันนี้ไฟลุลกท่วมทั้งคันคันนี้รู้สึกยังไง ทำงานต่อไหวไหมเพื่อนบอกไปรถซื้อมาขนาะหลายล้านเพื่อนบอกไยไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวเราเลี้ยงข้าวกินลงไหมคันนี้ไปดูหนังด้วยดูสนุกไหมคันนี้คืนนั้นนอนหลับไหมเออ <c oughs> เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเหมือนกันเนี่ยก็คือรถถูกชนรถก็เหมือนกันถูกชนไฟลูกท่วมเหมือนกัน อะไรที่ทำให้โยมรู้สึกแตกต่างอะไรที่ทำให้โยมสุขหรือโยมทุกข์ลดชนเลยที่ทำให้โยมสุขโยมทุกข์ใช่หรือเปล่าไม่อะไรใจของเราที่รู้สึกเป็นเจ้าของแล้วก็ไปยึดติดถือมั่นกับมันใช่ไม่ใช่ภาวะแบบนี้เนี่ยทำให้โยมแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกอยู่ตลอดอ้าวจริงหรือไม่จริงสังเกตเองนะ เมื่อคี้ที่ยกตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างในกรณีเหตุการณ์สมมุติว่าเป็นรถนะกรณีที่หนึ่งจะเห็นว่าเราเพลอนเพลินยินดีหรือที่ติดถือมั่นกับรถคันนั้นน้อยใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ได้รู้จักเจ้าของรถไม่ได้ชอบใจหรือไม่ชอบใจอะไรกับเขาด้วยเวลามันเกิดขึ้นเรามีความชอบใจรถคันนั้นนิดหน่อยตรงที่เป็นรถอย่างที่เราแบกอยากได้ เมื่อมันเกิดการกระทบเกิดการสูญเสียและเกิดการพังเกิดขึ้นเราจึงไม่ทุกข์เท่าไหร่เพราะยึดติดถือมั่นกับมันน้อยมันจะแปรเปลี่ยนไปอย่างไงมันก็ทุกข์น้อยแทบไม่ส่งผลกระทบกับเราเท่าไหร่เลยแล้วกรณีที่สองละ่ะเรายึดติดถือมั่นกับมันมากหรือน้อยบางคนอาจจะว่าไม่ยึดติดถือมัน่นหรือว่าไม่ยึดติดถือมั่นเลยนะจริงๆแล้วไม่ใช่นะถ้ารถคันนั้นเราเห็นว่าไอ้รถคันเนี้ย คนที่เป็นเจ้าของในคนที่เรากำลังโกรธกำลังเป็นคู่เวรกับเราเห็นรถคันนี้เมื่อไหร่ยมรู้สึกยังไงบางทีอยากเอาอะไไปขีดอยากเอาน้ำมันไปล่าให้มันพังพังไปใช่ไหม <laughs> <laughs> เห็นทุก ท, ทกีทุกทีใช่ไหมแต่พอมันทังไปได้เป็นยังไงสุกเลยใช่ไหมใช่ <laughs> นั่นแหละเรียกว่ายึดหละจริงไหมจริงแล้วบางทีนั่งอยู่เฉยๆพอเนึกถึงรถก็นึกถึงไอ้คนนี้ แล้วก็เกลียดไอ้รถคันนั้นน่ะแต่ก็อยากได้รถคันนี้มันเป็นของเราใช่ไหมใช่นั่นแหละกาลังยึดติดถือมั่นอย่างมากเลยแต่ยึดแบบผลักออกไม่ใช่แบบดึงเข้าหาตัวเราผลักออกเราติดกับมันเพราะฉะนั้นถ้ามันยังคงอยู่มันยังทำให้เราเห็นอยู่เราจะทุกข์แต่เมื่อไหร่มันพังไปได้มันสูญสลายไปได้เราจะสุขใช่ไหมใช่ ยกตัวอย่างเหมือนเวลาเราโกรธใครสักคน น, ะนั่นแหละโยมกำลังคิดถึงเขาใช่ไหมใช่แล้วคิดถึงเขาบ่อยกว่าบางทีบ่อยกว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราซส อ, อีกนจริงหรือไม่จริงนั่นแหละกำลังยึดติดอยู่กับเขาละ่นะนั่นแหละกำลังยึดติดละ่ะเธอเมื่ อ, อไหร่เดี๋ยววิ่งเข้ามาในในใจของเราละไอคนที่ทำให้เราโกรธใช่ไม่ใช่นั่นแหละยึดติดถือมั่นละ่ะให้รู้เอาไว้เข้าใจนะ มันกรณีที่สองคือยึดติดถือมัน่นถ้ามีความสุขมากนี่แสดงว่ายึดติดถือมั่นมากนะยิ่งของของคนที่เราเกลียดพังไปเมื่อไหร่เราจะ ย, ยิ่งมีความสุขมากแปรผันกับความเกลียดของเรานั่นแหละยิ่งยึดติดถือมั่นมากเข้าใจนะกรณีที่สามน่ะยึดติดถือมั่นไหมยึดแต่ยึดในลักษณะดึงเข้ามาหาตัวเพราะเราชอบใจพนะกพนออยากให้อยู่กับเราครนี้ ถ้ายังอยู่กับเราเราจะมีความสุขแต่พอมันสูญเสียหรือพังไปทุกข์มากทันทีก็แปรผันกับความยึดติดถือมั่นนี่แหละใช่ไม่ใช่สังเกตเองในชีวิตนะเนี่ยหลายพระพุทธเจ้าท่านทึงบอกสิ่งที่ไม่เกื้อกูลมากที่สุดก็คืออาการเพลิดพลนยินดีและยึดติดถือมั่นอย่างนี้นี่แหละเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมมากที่สุด มันทำให้เราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทำให้เราต้องติดอยู่กับสิ่งต่างๆแล้วก็มีอาการถูกกระทบไปกับสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือเป็นความคิดหรือความรู้สึกภายในของเราเอา้าวใช่หรือไม่ใช่ลองพิจารณาดูในชีวิตจริงมันไม่ใช่แค่รถเรายึดติดถือมั่นกับบุคคล คนนี้พ่อคนนี้แม่คนนี้สามีคนนี้ภรรยาคนนี้ลูกคนนี้เพื่อนคนนี้แฟนคนนี้คนรักคนนี้ศัตรูคนนี้คู่แข่งคนนี้ไม่ชอบคนนี้ชอบติดไหมแลวเวลาสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาเข้ามากระทบเราเห็นไหมว่าใจเรากระทบถ้าคนที่รักจากไปเป็นไงทุกข์ร้องไห้เลยใช่ไมมบางคนกินข้าวไม่ได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบ เข้ามาหาเราหรือเราต้องเจอเราต้องทำงานร่วมด้วยคนนี้เป็นยังไงทุกข์อีกเหมือนกันที่ทุกข์นั้นเพราะเขาหรือว่าเพราะใจของเราที่เข้าไปสําคัญมั่นหมายอย่างนั้นเหมือนกับกรณีของรถนี่แหละเห็นไหมสาเหตุที่แท้จริงอยู่ที่ตรงนี้แ่ะทั้นความเพื่อพลอยินดียึดติดถือมาในท่านว่าจึงเรียกว่าเป็นอกุศลเป็นสิ่งที่คุณจะต้องกําจัดแต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าเรากำจัดความรู้สึกช่นนี้ได้ออกทั้งหมดเลยนะอาการปรุงแต่งจิตแบบนี้ได้ทั้งหมดทุกอย่างจะเหมือนกับรถคันที่หนึ่งมันไม่ได้มีคนชอบหรือคนชังมีแต่ภาวะธรรมชาติที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปตอนนั้นโยมจะรู้สึกยังไงเอ่ยเขาปรากฏตัวขึ้นหรือสิ่งนั้นปรากฏเข้ามาผ่านทางต า, งางหูจมกูกลิ้นกายจะทุกข์ไหมไม่สิ่งนั้นปรากฏแล้วสิ่งนั้นผ่านไป หรือจากไปจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์นั่นแหละภาวะที่ดีงามอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าเรียกภาวะเช่นนี้ว่าภาวะที่ใจเป็นอิสระภาวะจิตทีเ่เกษมอย่างบริบูรณ์ภาวะที่เป็นสันติอย่างแท้จริงภาวะที่เป็นบรมสุขเพราะจะไม่ผันแปรอีกแล้ ว, ลลวเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียก ภาวะเช่นนี้ไว้หลายคำด้วยกันนะคำคำหนึ่งที่เรามักจะคุ้นเคยก็คือคําว่านิพพานะนิพพานนั่นเองคือภาวะนิพพานหรืออย่างที่เราเรียกว่าบางทีท่านอาจารย์จักรตัดเรียกว่าวิมุตคือความหลุดพ้นคือหลุดพ้นจากยึดความยึดติดถือมั่นที่เหมือนโซ่ตรวนที่ผูกเราไว้กับสิ่งต่างๆทําให้จิตใจเรากระทบเวลาสิ่งต่างๆแปลเปลี่ยนไปภาวะเช่นนี้มีอยู่ในธรรมชาติเป็นภาวะที่เกื้อกูลอย่างยิ่ง ต้องบอกเป็นภาวะที่คุ้อย่างยิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าเนี่ยทุกคนต้องพยายามสร้างเหงือสร้างปัจจัยเพื่อให้เกิดภาวะเช่นนี้ ข, นขึ้นกับเราแล้วชีวิตเราจะไม่พบกับความทุกข์อีกเลยภาวะที่จิตใจปราศจากความชอบใจเพลิดเพลินยินดียึดติดถือมั่นอย่างนี้เราจะเรียกว่าเป็นภาวะจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสยอย่างแท้จริงเพราะไม่มีสิ่งเศร้าหมองเกิดขึ้นในจิตใจของเราเลย เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านึงสอนไว้ไงให้ทำจิตใจให้ผ่องใสปราศจากภาวะที่ไม่ดีงามเหล่านี้อย่างสิ้นเชิงแล้วเธอจะพบกับความสุขที่แท้จริงนี่คือลักษณะในธรรมชาติซึ่งโดยปกติแล้วภาวะนิพพานอย่างนี้ท่านจะเรียกว่าอัพยากตะธรรมนะอัพยากตธรรมคือภาวะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศล เราเรียกว่าอภิยากตะธรรมอภิยากตะธรรมนอกจากหมายถึงพระนิพพานแบบนี้แล้วก็ยังหมายถึงภาวะที่เป็นกนนลางๆงตามธรรมชาติที่ไม่ใช่ฝ่ายเกื้คุลและไม่เกื้คุลด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะแบ่งอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าเมื่อแบ่งตามองค์ประกอบของชีวิตเอาแบบคร่าวๆก็มีสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพสังคมจิตใจแล้วก็ปัญญาทั้งสอย่างนี้ถ้าแบ่งตามคุณลักษณะ ก็มีหนึ่งภาวะที่เป็นอกุศลเป็นกุศลแล้วก็เป็นภาวะที่เป็นกลางๆงคืออัพยากตะธรรมนั่นเองนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสังเกตเห็นในธรรมชาติซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะถือกําเนิดขึ้นมาหรือไม่ก็ตามมีอยู่แล้วตามธรรมดาธรรมชาติ อ่านี่คือความหมายของธรรมะนี่เพิ่งสองความหมายหมดไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะเหมือนไปหนึ่งชั่วโมงโยมเข้าใจไหมเอ่ยพอเห็นในธรรมชาติในชีวิตของโยมนะการศึกษาธรรมคือเรามาศึกษาอย่างนี้นี่แหละศึกษาสิ่งที่กําลังเป็นอยู่จริงๆในในชีวิตของเราในธรรมชาติของเรานั่นเองแต่ครนี้มนุษย์จะเกิดความสุขเกิดความดีงามขึ้นได้ไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆแล้วนั่งคิดเอาไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์จะต้องทําเพื่อให้เกิดความเกื้อกูลหรือแม้แต่กระทั่ง ทำให้เข้าถึงพระนิพพานได้สิ่งนั้นคือมนุษย์จะต้องลงมือเข้าไปศึกษาให้เข้าใจกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเสียก่อนศึกษาให้เข้าใจเมื่อศึกษาเข้าใจรู้ว่าเหตุปัจจัยอย่างไรจะทำให้เกิดภาวะที่เป็นกุศลครือกูรหรือแม้แต่กระทั่งทำให้จิตใจหลุดพ้นได้เมยมรู้เข้าใจเหตุปัจจัยแล้วหน้าที่ของโยมคือต้องต้องต้อง ลงมือทําและลงมือสร้างเหตุปัจจัยนั้นๆให้เต็มที่ใช่ไม่ใช่ภาวะความเกกูลจึงจะเกิดขึ้นไม่ใช่รู้แล้วนั่งอยู่เฉยๆหรือฟังเสร็จเข้าใจแล้วก็อยู่เฉยๆไม่ลงมือทําสิ่งนั้นจะไม่เกิดประโยชน์เลยนะสิ่งนั้นจะไม่เกิดประโยชน์เลยกระโยมนะมันแค่จําได้เท่านั้นประโยชน์ที่แท้จริงจะยังไม่เกิดขึ้นท่านสิ่งที่ พ, พระพุทธเจ้าท่านทําคือท่านลองทดลองดูด้วยตัวของท่านเอง เหตุปัจจัยเป็นแบบนี้เอาลองทำเหตุปัจจัยนี้ผลเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างนี้แล้วควรทำเหตุปัจจัยอะไรอีกที่จะทำให้เกิดภาวะที่เกื้อกูลยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าพูดอย่างภาษาทศสมยใหม่ก็คือทดลองถ้าพูดอย่างภาษาธรรมะก็คือการที่ท่านค ร, คร่ครวญพิจารณาธรรมหรือบาเพ็ญบารมีนั่นเองท่านลองทดลองทดสอบ สร้างเหตุปัจจัยต่างๆทั้งฝ่ายจิตใจฝ่ายร่างกายฝ่ายจิตใจมีเหตุปัจจัยอะไรบ้างทำอย่างเต็มที่จนกระทั่งท่านประสบความสำเร็จวันที่ประสบท่านประสบความสำเร็จเราเรียกว่าวันอะไรเอ่ยวันวันจะพูดต้องตอบได้แล้วสิวันที่ท่านตรัสรู้คือวัน วิสาขาบูชานั่นแหละนะการศึกษาการฝึกหรือการทดลองของพระพุทธเจ้าประสบความสําเร็จท่านพบละเหตุปัจจัยที่จะทําให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์ได้และท่านได้ทําเหตุปัจจัยนั้นอย่างพร้อมบริบูรณ์แล้วเรเรียกว่าวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นการตรัสรู้ของท่านเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติไหมไม่ เป็นเรื่องที่มนุษย์สามารถไปศึกษาเข้าใจเข้าถึงธรรมชาติได้อย่างแท้จริงรู้เข้าใจธรรมชาติได้อย่างแท้จริงตลอดจนสามารถจัดปรับเหตุปัจจัยในธรรมชาติได้จนกระทั่งสามารถพ้นจากความทุกข์ได้ลักษณะอย่างนี้ในภาษาธรรมะเราก็เลยมีชื่อเรียกเราเรียกว่าใช้ธรรมะมาใช้ในการดาเนินชีวิตภาษาธรรมะเรียกว่าธรรมะจริยา เป็นความหมายที่สของคำว่าธรรมะคือเมื่อศึกษาเข้าใจเหตุปัจจัยและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วนำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาทดสอบมาทดลองแล้วนำมาปรับใช้ในชีวิตพัฒนาจิตใจขึ้นมาแม้ไม่ถึงในขั้นที่บรรลุถึงพระนิพพานแต่อย่างน้อยที่สุดคนที่ทำอย่างนี้ชีวิตเขาจะมีแต่ความเกื่อกูลมีความสุขความดีงามเกิดขึ้น ทำได้สมบูรณ์มากกว่านั้นก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่าธรมรมจารยาจริยะหรือจระนั้นแปลว่าการเดินทางไปหรือการดําเนินไปภาษาไทยคําว่าจาระนั้นจะเรียกว่าจรเคยได้ยินใช่ไหมจราดนะีเดินทางไปเนี่ยคําว่าจรนนี่นก็แปลว่าการเดินทางนั่นเอง เั้นธรรมะจริยาก็คือการนำธรรมหรือหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตดำเนินชีวิตให้สอดคล้องตามหลักธรรมที่ก่อให้เกิดความเกื้อกูลเกิดความดีงามเพราะว่ามนุษย์ทุกคนปรารถนาความสุขทุกคนเลยใช่ไม่ใช่นั่นเป็นจุดหมายของทุกๆคนใช่ไม่ใช่รู้ไหมว่าจุดหมายชีวิตของเราคืออะไรลองถามตัวเองนะเพราะฉะนั้นการจัดปรับ เอาธรรมชาติเอากฎของธรรมชาตินี้มาใช้เพื่อให้มนุษย์เข้าถึงจุดหมายของชีวิตเนี่ยแหละคือธรมรมจาติรยาละ่ะนะเพราะฉะนั้นจากคําถามที่อาตมาถามเมื่อกี้ลองทดลองกันนิดหนึ่งไหมคิดเองนะอย่าฟังอาตมานะอาตมาจะตั้งคําถามให้โยมลองตอบตัวเองลองคิดดูสิสิ่งที่อาตมาอยากจะถามโยมก็คือว่าสิ่งต่างๆที่โยมทําในปัจจุบันนี้ ไม่จะว่าหน้าที่การงานพยายามหาเงินอยากซื้อสิ่งของอยากเห็นคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้นตามใจของเราหรือแม้กระทั่งประเทศชาติบ้านเมืองมนุษยชาติเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือตัวเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วแต่โยมอยากทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปเพื่ออะไรโยมได้อะไรจากการที่โยมได้สิ่งเหล่านั้นมาตอบตัวเองนะ ไ, ได้คําตอบไปอย่างเคยถามตัวเองไหม เฮ้ทุกความนี่ที่ฉันทํามาหากินทํามาหากินไปเพื่ออะไรดูแลลูกดูแลพ่อแม่ทําสิ่งต่างๆ่างเหล่านั้นไปเพื่ออะไรได้อะไรจากการทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นเคยถามตัวเองไหมในขณะที่กําลังทําสิ่งต่างต่าเราเดําเนินชีวิตต้องมีจุดหมายนะใช่ไม่ใช่ถ้าไม่มีจุดหมายเดินทางเนี่ยมันก็สเปดสป่าและใช่ไม่ใช่เคยถามตัวเองหรือ ย, อยังอ้าวลองถามตัวเองได้คําตอบหรือ ย, อยังได้คําตอบแล้วนะ จากคาตอบของโยมถามด้วยคาถามอย่างเดียวกันในคําตอบของโยมสิ่งที่เป็นคําตอบของโยมเนี่ยโยมอยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นไปเพื่ออะไรโยมได้อะไรจากสิ่งที่เป็นคําตอบของโยมนั้นมันเกิดขึ้นอัตมายกตัวอย่างเช่นดาเนินชีวิตเพราะว่าอยากจะเลี้ยงครอบครัวให้ไปอยู่เป็นสุขนี่คือคําตอบถามถามโยมให้โยมถามต่อ อยากให้ครอบครัวอยู่เป็นสุขไปเพื่ออะไรได้อะไรจากการที่ครอบครัวอยู่เป็นสุขได้คำตอบหรื อ, อยังได้คำตอบแล้วในคาตอบที่สองนี้ให้โยมถามด้วยคำถามอย่างเดียวกันในคาตอบข้อที่สองแล้วยมอยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรโยมได้อะไรจากสิ่งจาก่สิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นยังไม่เคยถามลึกขนาดนี้ใช่ไหม ลองถามจําเป็นล่ะถ้าจะมาศึกษาธรรมะได้คาตอบหรือยังได้คําตอบแล้วนะถามด้วยคาถามอย่างเดียวกันในคําตอบข้อที่สามที่โยมตอบออกมาโยมอยากให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นไปเพื่ออะไรได้อะไรจากที่สิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นคาตอบมาหยุดลงอยู่ที่อะไรเอ่ยอยากได้อะไร ใช่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ถามได้ไม่เกินสิบครั้งอะ่ะมันจะจบลงมาที่ว่าอยากได้ความสุขแล้วอยากได้ความสุขไปเพื่ออะไรได้รจากการที่มีความสุขสุขก็สบายใจสบายใจถ้ามันสุขมันก็กลับมาวนมาเหมือนเดิมนั่นน่ะสิ <c oughs> ตอบได้ไหมไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าอยากให้ภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นนั่นแหละใช่ไม่ใช่ เพียงแต่เงื่อนไขในการที่จะทำให้เรามีความสุขของแต่ละคนนั้นจะแตกต่างกันบางคนเงื่อนไขไปขึ้นอยู่กับชื่อเสียงวัตถุเงินทองบางคนเงื่อนไขไปขึ้นอยู่กับครอบครัวหรือคนที่รักบางคนเงื่อนไขไปขึ้นอยู่กับการเห็นที่สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในสังคมอ้าจริงหรือไม่จริงโยมลองสังเกตก็แล้วกันแต่ทาไมโยมอยากให้เงื่อนไขเหล่านั้นเกิดขึ้นคาตอบมันเหมือนกันเลยก็คือ เมื่อเราเห็นเงื่อนไขที่เราต้องการนั้นเกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกสบายใจรู้สึกมีความสุขหรือเราไม่มีความทุกข์นั่นเองใช่ไม่ใช่คำถามต่อมาแล้วความสุขนั้นมันอยู่ที่ไหนแล้วปัจจุบันยงมไปหามันที่ไหน แล้วจะเจอมันไหมจเจอแต่อของปลอมงัม้นโยมลองสังเกตนะตัวเองในะอยากมีความสุขแต่เวลาอยากได้ของหรืออยากให้คนนั้นเป็นอย่างใจของเราไอ้ตอนอยากได้ในสุขหรือทุกข์อยากได้ลวมันได้เลยทันทีไหมเราต้องลงมือทำมันถึงจะเกิดตอนนั้นสุขหรือทุกข์ทุกข์เกิดแล้ว โยมสุขและโยมสุขอยู่อย่างนั้นไปตลอดไหมแล้วโยมจะทํำยังไงต่อพอสิ่งที่ปัถนาต้องการมันเกิดขึ้นกับเราแล้วต่อจากนั้นโยมทํายังไงต่อสุขอยู่อย่างนั้นไปตลอดหรือว่าทํายังไงต่ออยากได้ต่อแต่บอกว่าอยากมีความสุขไอ้ยาตอนอยากได้ก็ทุกไอ้ตอนสแสวงหาเพื่อให้ได้มาก็ทุกได้มาแล้วสุขนิดเดียวก็ไม่รักษาความสุขนั้นไว้โยนความสุขนั้นทิ้งไปแล้วก็ไปอยากได้อย่างอื่นต่อแล้วทําให้ตัวเองเป็นทุกข์ ใช่หรือไม่ใช่เพราะมัวแต่หาความสุขนั่นแหละมันจึงไม่เจอความสุขเพราะมัวแต่วิ่งหาเราเลยไม่ได้พัฒนามันขึ้นมาจากภายในใช่หรือไม่ใช่คิดเอาเองสังเกตเองในชีวิตของโยกนะพราะพระพุทธเจ้าท่ากเพิง่งบอกไงถ้าเรามาสังเกตและรู้เข้าใจธรรมชาติปฏิบัติให้ถูกต้อง สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถพัฒนามันขึ้นมาได้สูงขึ้นไปกว่านั้นภาวะที่พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนี้จะเป็นภาวะที่สามารถอยู่กับเราไปได้ตลอดเลยแต่ไม่ใช่ว่านึกแล้วมันจะเกิดโยมต้องเข้าไปศึกษาจากผู้ที่รู้รู้จักธรรมชาติถ้าศึกษาจากธรรมชาติเองด้วยตัวเองไม่ได้โยมล้วก็ต้องไปถามผู้ที่ประสบความสำเร็จมา ก, ก่อนหรือผู้ที่รู้เข้าใจเรื่องนี้ นั่นก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองต้องไปศึกษาจากสิ่งที่ท่านสอนนั่นเองนี่แหละคือความสําคัญที่เราต้องมาศึกษาเข้าใจนะเพื่อการดําเนินชีวิตที่สอดคล้องสร้างเหตุปัจจัยให้สอดคล้องให้เกิดความเกื้อกูลนี่ยแหละเราเรียกว่าธรรมะจริยาเนี่ยจึงจะทําให้เราเกิดความสุขหรือพบความสุขที่แท้จริงและเน้นย้ําไว้ด้วยไม่ใช่มาวัดเสร็จเอาของมาถวายพระจะประคูลขอหนึ่งสองสามสี่แล้ได้ นั่นคือพุทธศาสนาหรือเปล่าใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่นะถ้ายมขออย่างนั้นได้อาตมาทําให้อาตมาเองก่อนแล้วแหละใช่ไหมไปขอหวยวัดนั้นวัดนี้โอ้ที่นั่นที่นี่ใหบหวยแม่นะ่ะท่านซื้อเองไปแล้วหรอถ้าท่านใบหวยแม่นถูกทุกถูทุกนวดอย่างงั้นอ่ะใช่ไหมใช่จะมาขอร อ, อรับเงินบริจาคจากญาติโยมทําไมเรา เขาซื้อหวยทุกงวดลวเอามาไปช่วยเหลือโยมเลยไม่ดีกว่าหรือมาลองให้โยมมันต้องมานั่งเสียเงินซื้อหวยเองจริงหรือไม่จริงเพราะฉะนั้นมานั่งอ้อนวอนขอร้องน่ะไม่ใช่หลักพุทธศาสนานะขอร้องโดยบรรดานี้ไม่ใช่เลยนะหลักพุทธศาสนาคือเข้ามาศึกษาให้รู้เข้าใจแล้วลงมือทําเหตุทําปัจจัยให้เต็มที่แล้วผลนั้นนั้ น, น่ะจึงจะเกิดขึ้นกับเราในการที่มาพบพระพิสุสงฆ์มาเข้าวัดหนึ่ง เสริมสร้างในด้านของจิตใจเราได้ลงมือทําในงานของคุณงามความดีในจิตใจให้เกิดขึ้นสองเราได้พบรจะเราจะได้ศึกษาหลักธรรมเพื่อเอาไปใช้ในการดําเนินชีวิตเอาไปใช้ในการแก้ปัญหานั้นและลโยมต้องลงมือทําลงมือแก้ปัญหานั่นแหละความสุขความดีงามนี้แท้จริงจึงจะเกิดขึ้นกับโยมเข้าใจนะเข้าใจอย่างนี้แล้ววันหลังมาทําบุญยังจะอธิษฐานขออีกไหม ย, ยังขออยู่ อมันก็ยังติดอยู่นะขอได้แต่ต้องลงมือทําำอยากขอแล้วก็ไม่ลงมือทํานะอยากขอแล้วไม่ลงมือทําแล้วถ้าจะขอให้ดีอธิษฐานให้ถูกคือตั้งใจว่าเราจะทําอะไรแล้วทําให้สําเร็จเอาแบบนั้นก็แล้วกันนะบางทีเรายังบอกว่าแหมไม่ขอเลยมันรู้สึกแข็งค้างอ้าวก็จะขอได้ก็เอขอให้ความสุขความดีงามเกิดขึ้นกับชีวิตแต่ให้มีเงื่อนไข โดยที่ต่อไปนี้ดิฉันจะพิจารณาแต่สิ่งที่ดีงามถูกต้องแล้วลงมือทําคราวนี้เราจะยมได้แน่ๆขออย่างนี้นะไม่เอาขอแบบว่าขอให้กิจการการค้ารุ่งเรืองแต่ว่าฉันจะไม่ทําอะไรเลยไอ้อย่างนี้ก็ผิดหลักพุทธศาสนาทันทีเลยเข้าใจนะเราขอขอให้ถูกต้องขอให้กิจการการค้ารุ่งเรืองฉันจะพยายามใช้ปัญญาในการมองฉันจะพยายามประหยัดอดออมฉันจะพยายามที่จะทําหน้าที่การงานอย่างเต็มที่ฉันจะคอยดูแลเอาใจใส่ลูกค้ายอย่างเต็มที่ ขอให้กิจาการฉันจเจริญรุ่งเรืองแต่ฉันจะทําอันนี้ให้เต็มที่โยมลองขออย่างนี้แล้วลองทําสิโยมว่า จ, จะเจริญรุ่งเรืองไหมล่ะะขอก็ขอให้ถูกด้วยนะะคือขอทำนะไม่ใช่ขอเพราะว่าอยากจะได้ให้ให้อะไรมาดอนดานให้เราไม่ใช่อย่างนั้นนะแล้วขอให้เกิดคุณงามความดีโดยที่ฉันจะตั้งเจตนาในสิ่งที่ดีงามตั้งใจให้ดีงามแล้วจะทําแต่คุณงามความดีอะถ้าขออย่างนี้แล้วก็อา ต, ตมาอนุมมทนาถ้าอย่างนี้ก็ค่อยๆเข้าหลักหน่อย นะแม้แต่ยัใจมีความอยากได้อยู่แต่อย่างน้อยมันก็ยังมีหลักอยู่บ้างนะมั้นขอก็ขอให้ถูกหลักนะอา้าวนะอา้าวเข้าใจแล้วนะธรรมะจริยานะคือการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามสอดคล้องนะแล้วก็ลงมือสร้างสารรค์และก็ทําเหตุทําปัจจัยด้วยปัญญาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อย่างนี้แล้วทํำยังไงคราวนี้ถ้าจะเอามาบอกมาสอนผู้อื่นจู่ๆจะเอาใจของท่านไปใส่ให้ในใจของคนอื่นเลยได้ไหม ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นจะต้องทํำยังไงล่ะก็เลยต้องมีการสังเกตสังเกตแล้วท่านต้องพยายามใช้คําพูดเข้าไปบัญญัติภาวะต่างๆเหล่านี้เป็นคําพูดออกมาที่เป็นบัญญัติเป็นคําพูดออกมาเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อเอามาบอกมาสอนเพื่อให้เขาเทียบเคียงกับภาวะที่เป็นอยู่ในจิตใจของเขาหรือภาวะที่เป็นอยู่กับชีวิตของเขาใช่ไม่ใช่ จะได้บอกได้สอนให้อธิบายว่าภาวะช น, นิดเป็นอย่างไรจะก่อให้เกิดผลอย่างไรอย่างคําว่าสติสมาธิปัญญานะนิวรณ์เนี่ยพวกนี้ท่านพยายามที่จะดูจากภาวะที่เป็นตามธรรมชาติแล้วพยายามเอาคําพูดที่ใกล้เคียงที่สุดเข้าไปปัญญัติแล้วพยายามเอามาอธิบายแจากแจงอธิบายแจากแจงไม่ใช่ให้เราต้องจําคําพูดนะแต่เพื่อให้เราเข้าไปสังเกตภาวะอย่างนั้นแต่ถ้าไม่ใช้คําพูดสื่อสารเป็นยังไง จะบอกให้รู้เข้าใจได้ไหมไม่ได้ท่านจึงต้องพยายามบัญญัติเป็นคำพูดเหล่านี้ออกมาจากภาวะที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติบัญญัติแล้วก็พยายามแจกแจงอธิบายเพื่อเอามาสอนพวกเราเพราะฉะนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าเหล่านี้จึงเป็นเรื่องของธรรมชาติความเป็นไปหรือกฎของธรรมชาติและวิธีการจัดสรรเหตุปัจจัยของธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความเกือกูลความดีงามขึ้นกับชีวิตจิตใจของเราและทำให้เราเกิดความสึกท่านคำสอนเหล่านี้ท่านก็เลยเรียกว่าธรรมะเทศนาธรรมะเทศนาก็คือเป็นการบอกการสอนในเรื่องของธรรมการบอกการสอนในลักษณะอย่างนี้จะเห็นว่าเมื่อท่านบอกท่านสอนเมื่อเราไม่ทำหรือเราไปทำในสิ่งที่ตรงกันข้าม ทำเหตุตามปัจจัยที่ไม่ดีเกิดขึ้นความไม่ดีหรือความทุกย่อมเกิดขึ้นกับเราสาเหตุที่สิ่งที่ไม่ดีหรือความทุกข์เกิดขึ้นกับเราเป็นเพราะพระพุทธเจ้าลงโทษเราหรือเป็นเพราะาธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเป็นเพราะอะไรเอ่ยธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้ให้รางวัลเราหรือลงโทษเราหรอกแม้นะที่บอกว่าไม่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจึงพบกับความทุกข์นั้น เป็นเพราะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านกําลังสอนถึงเหตุปัจจัยที่ถูกต้องดีงามที่เราพึงทำเหตุปัจจัยที่ไม่ดีงามที่เราไม่ควรทําเมื่อเราทําเหตุปัจจัยที่ไม่ดีงามเข้าสิ่งที่ไม่ดีงามสิ่งที่เป็นทุกข์จึงเกิดขึ้นกับเรานั่นไม่ใช่เพราะพระพุทธเจ้าลงโทษแต่เป็นเพราะธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้านในปรารถนาดีอย่างแท้จริงกับเราท่านไม่มาลงโทษเราหรอกอะไรที่จะทําให้เราเกิดความสุขความดีงามได้ ท่านพยายามบอกพยายามสอนพยายามช่วยอย่างเต็มที่แล้วอยู่ที่พวกเราเองนะในขณะเดียวกันเมื่อเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพยายามทำสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เกรกูล อ, อย่างเต็มที่และปรากฏว่าสิ่งที่ดีงามเกรกูลขึ้ น, นเกิดขึ้นกับเรานั่นเป็นพระพุพทธเจ้าดลบันดาลให้กับเราหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นไหมไม่ใช่เพราะอะไรเอ่ยเหตุปัจจัยธรรมชาติเป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าท่านสังเกตเห็นแล้วท่านถึงพยายามแนะนําให้เราทำํำไงเธออย่าทําเช่นนี้แต่เธอจงทําเช่นนี้ให้มากเมื่อทําเช่นนี้แล้วโดวยเหตุโดยปัจจัยธรรมชาติผลเช่นนี้จะเกิดขึ้นท่านบอกไว้แล้วนั่นแหละท่านปรารถนาดีกับเราอย่างแท้จริงจึงพยายามแจกแจงพยายามบอกพยายามสอนในสิ่งเหล่านี้ออกมาเพราะฉะนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เราก็เลยเรียกว่าธรรมะอย่างหนึ่งเช่นเดียวกัน เพราะเป็นการบอกการสอนเรื่องของเหตุปัจจัยในธรรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและความเป็นไปของธรรมชาติทั้งหลายซึ่งถ้าเรารู้เราเข้าใจเราปฏิบัติได้ถูกต้องตามนั้นความเกื้อกูลความดีงามก็จะเกิดขึ้นกับตัวของญาติโยมทุกๆคนเองเข้าใจนะเพราะฉะนั้นหลักการคําสอนนี้โยมว่าเป็นสิ่งที่มีค่าไหมล่ะมีค่ามีค่ามากเพราะถ้ายมไปสังเกตเองโยมไม่มีทางสังเกตได้อย่างนี้แน่นอน จึงเป็นหลักการเป็นคำสอนเป็นสิ่งที่มีค่ามากเนี่ยเราเรจึงเรียกว่าพระธรรมจะเป็นรัตนะอย่างที่สองเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างที่สองมีคุณค่าต่อชีวิตต่อจิตใจต่อปัญญาของเราเป็นหลักที่จะสามารถทำให้เราใช้ชีวิตนี้ได้อย่างสมคุณค่าอย่างแท้จริงใช้เป็นอุปกรณ์ในการที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงเลย อันนี้ก็คือความหมายของเขาว่าธรรมะนะธรรมะในแง่ของสามความหมายสี่ความหมายด้วยกันตอนนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมาตลอด 45, สี่สิบห้าพรรษาถ้าจะพูดอย่างหลักอย่างง่ายๆก็คือว่าสิ่งใดเป็นอกุศลธรรมเป็นสิ่งที่ไม่เกื้อกูดีงามไม่ว่าในด้านของสิ่งแวดล้อมสังคมจิตใจหรือว่าในแง่ของความรู้ความเข้าใจ สิ่งใดเป็นสิ่งที่ไม่เรื้อกูลไม่ดีงามหรือเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้สิ่งก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่เรื้อกูลไม่ดีงามสิ่งนั้นเราควรทำหรือไม่ควรทำไม่ควรทำแล้วถ้าสิ่งใดเป็นสิ่งที่เรื้อกูลดีงามทั้งในแง่ของสิ่งแวดล้อมสังคมจิตใจรวมไปถึงความรู้ความเข้าใจหรือปัญญาสิ่งนั้นโยมควรทาอย่างไรกับมัน ควรทําให้มากควรทําให้พร้อมควรทําให้บริบูรณ์ใช่ไหมสูงขึ้นไปกว่านั้นนะซึ่งเป็นสิ่งที่จะทําให้เราพ้นจากความทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงก็คือการที่การฝึกการพัฒนาสร้างเหตุสร้างปัจจัยเพื่อให้จิตใ จ, จของเรานั้นปลอดโป ร, โรง่งบริสุทธิ์ผ่องใสปราศจากความเพลิดเพลิยินดียึดติดถึงมั่นนั่นคือสูงสุดล้วถ้าใครทําได้ถึงตรงนี้เรียกว่าบรรลุความสําเร็จของ การที่เราได้เข้ามาศึกษาธรรมชาติพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงแล้วพระพุทธเจ้าท่านทุกพระองค์จึงสอนอย่างนี้มาตลอดหลักนี้ได้ยินมาตั้งแต่เด็กพ่องมาตั้งแต่เด็กแล้วเราเรียกว่าหลักอะไรเอ่ยเงียบอีกแล้วแต่พอบอกมาเดี๋ยวโยมจะร้องอ๋ออีกนะ คนไทยจะเป็นอย่างเงี้ยนะท่องได้นะแต่ว่าไม่รู้ความหมายเลยไม่เห็นถึงประโยชน์ในชีวิตของเรานะต้องเน้นย้ำนิดหนึ่งเพราะต่อไปเวลาเราโยมไปศึกษาจะได้พยายามเข้าไปศึกษาให้เข้าใจาให้ถ่องแท้เราจะเห็นสิ่งตอนนี้ยูนกับชีวิตของเราตลอดอา้าวข้อแรกก่อนสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่ไม่ไดีงามอย่าไปทํานะพยายามป้องกันอย่าให้เกิดเวลาพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านก็จะตรัส ด, ด้วยคําสั้นๆง่ายๆว่า ขอเป็นภาษาบาลีก่อนสัพพปาปัสสะอกกัรนังแปลเป็นภาษาไทยสัพพะแปลว่าทั้งหลายทั้งปวงปาปัสสะก็คือการทําบาปอกกัรนังก็คือไม่กระทํำสัพพปาปัสสะอักกัรนังก็คือการไม่ทาํ า, ป า, ปะะ า, าทบาปทั้งปวงคําว่าบาปในที่นี้ก็คืออกุศลนั่นเองปาปกอกุศลเป็นคำที่ใช้แทนกันได้เริ่มคุณนหรือยัง เรียนคุณได้ยังเอ่ยอันนี้ได้เรียนรู้มาแล้วหรือยังเรียนแล้วนะเรียนแล้วเพราะฉะนั้นข้อสองโยมต้องตอบได้แล้วสิการทาความดีให้ถึงพร้อมความดีนี่แปลมาจากคำว่ากุศลนะถ้าภาษาบาลีท่านใช้คำว่ากุสลสูปสัมปทากุศลก็คือกุศลนะสูปสัมปทาก็คือการทาให้ถึงพร้อมนะ การทำกุศลหรือการทำความดีให้ถึงพร้อมข้อที่สามล่ะตอบได้แล้วนะบ้างข้อที่สามท่านบอกว่าการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผองใสนะภาษาบาลีท่านใช้คำว่าสจิตตะปริโยทัปปะนังนะสจิตตะปริโยทัปปนังการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส ริสุทธองใสในที่นี้ไม่ใช่เพียงแค่ข่มไว้นะแต่อขอยกตัวอย่างประกอบนิดหนึ่งให้เป็นรูปธรรมอย่างน้ําในขวดนี้ถ้าสมมติว่าน้ําในขวดนี้ที่อาตมาเอามาเนี่ยโยมบอกว่าอยากดื่มน้ําที่มันใสสะอาดแล้วพกไปไหนต่อไหนได้แต่พอดีน้ํานี้ยังสกรปรกอยู่ยังมีตะกรอยู่สิ่งที่โยมุควรจะต้องทําอย่างแรก คืออย่าเอาตะกรอนอะไรลงไปใส่อีกไม่งั้นมันยิ่งขุนใช่ไม่ใช่ถ้าตอนโยมต้องการน้ําที่ใสเพื่อเอาไปใช้งานใช่หรือไม่ใช่การไม่เอาตะกรอนลงไปใส่อีกก็เปรียบเหมือนกับสิ่งที่ไม่ดีงามทั้งหลายโยมต้องการจิตใจที่ดีงามบริสุทธิ์ผ่องใสโยมอย่าให้สิ่งที่ไม่ดีงามเกิดขึ้นภายในจิตใจต่อในพฤติกรรมของเราอย่าเอาสิ่งเหล่านั้นมาใส่อีกเหมือนอตะกรอนใส่ลงไปในน้ําไม่งั้นน้ำนี้จะใช้ไม่ได้เหมือนกันกับชีวิตของโยม สิ่งที่ไม่เกือควรไม่ดีงามอย่าไปทํายาเอามันเข้ามาใส่ในชีวิตของโยมไม่ว่าจะเป็นทางด้านพฤติกรรมจิตใจหรือในด้านความรู้ความเข้าใจอย่ามันเอาอย่าเอามันเข้ามาใส่เนี่ยแหละคือการไม่ทําบาปทั้งตัวละเว้นสํารวมถ้ารู้ว่ามันจะกําลังจะตกลงมาถ้าเปิดเขวดว่าอย่างนี้รู้ละแถวนี้ฝนมันเยอะมันลงอยู่ตลอดโยมควรทํำยังไงปิดฝาขวดซะนี่คือสํารวมระมัดระวังอย่าไปทํา และป้องกันอย่าให้มันเกิดขึ้นแต่น้ําใสไหมยังไม่ใสมันยังขุ่นอยู่กระทบเท่ไรกระฉอเท่าไรมันก็ยังขุ่นอยู่ทาำยังไงจะให้มันใสเราต้องหาอะไรเข้ามาแกว่งหรือตั้งวางไว้เพื่อให้มันตกตะกอนใช่ไม่ใช่การทําอย่างนี้คือพยายามสร้างให้น้าําใสอาจจะเรียกว่าเป็นการทําความดีให้ถึงพร้อมให้มันตกตะกอนลงมา ให้เหลือแต่น้ําที่มันใสที่บริสุทธิ์เหมือนกันสํารวมระมัดระวังให้เหลือแต่พฤติกรรมที่ดีงามจิตใจที่ผ่องใสดีงามทําความดีให้ถึงพร้อมแต่แม้อย่างนั้นในนี้มันยังมีตะกรอยอยู่อ่ะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ตะกรอนถ้ามันยังอยู่ในขวดนี้เวลามีอะไรเข้ามากระทบกระชั่กอีกคนนี้เป็นยังไงขุนอีกพอไหมไม่พอทํำยังไงน้นํานี้จริงจะไม่ขุนอีกเลย ย่อมต้องขันไขเอาตะกอนนี้ออกให้หมดถ้าไขหรือขั น, ขนอาตะกอนนี้ออกหมดในขณะที่น้ำนั้นมันใสแล้วอย่างน้ำในขวดนี้ขยเยายังไงมันก็ไม่มีทางจะขุ่นอีกแล้วใช่ไม่ใช่นี่แหละคือจิตบริสุทธิ์ผ่องใสได้อย่างแท้จริงตอนเนี้ใช้งานได้ตลอดใช่ไม่ใช่ดื่มเมื่อไร่ก็ดื่มได้เกลียดได้กับการกําจัดกิเลสในจิตใจออกให้หมด ตะกรเหล่านั้นก็คือกิเลสในจิตใจนั่นเองอันนี้โดยเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นเราดำเนินชีวิตอย่าลืมตรงนี้นะรู้ว่าอะไรไม่ดีอย่าไปทำอย่าไปพูดและอย่าไปสร้างให้เกิดในสิ่งแวดล้อมและสังคมภายในจิตใจของเราก็เหมือนกันรู้ว่าสิ่งใดไม่ดีอย่าให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราในความคิดการเรียนรู้อะไรรู้ว่าสิ่งนั้นไม่ดีอย่าไปเรียนรู้ รู้ว่าสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดีเป็นยังไงทําให้มากแต่สูงขึ้นไปกว่า น, นั้นก็คือการละจากความเพลิดเพลินยินดียึดติดถือมั่นนี่เหมือนกับการเอาตะกรอนออกแต่โยมจะไม่สามารถเอาตะกรอนออกได้เลยถ้าโยมยังเปิดขวดเอาของสกรปรกใส่ลงไปแล้วน้ํายังไม่ใส่โยมจะแยกเอาตะกรอนออกได้ไหมไม่ได้โยมต้องปิดขวดทําน้ําให้ใส่ก่อนแล้วมันถึงจะตกตะกอนโยมถึงจะเห็นตะกรอน เมื่อโยมเห็นตะกรอนแล้วนั่นแหละโยมถึงจะเอาตะกรอนออกได้เมื่อโยมแยกระหว่างน้ำที่ใสกับตะกรอนออกได้แล้วนั่นแหละโยมจึงจะเอาตะกรอนออกได้เข้าใจไหมหลักการนี้เป็นหลักการสำคัญเลยในทางพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนมาตลอดอุปมาอย่างนี้เปรียบเหมือนอะไรการสำรวมระมัดระวังไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีงามเปรียบได้กับการรักษาศีลนั่นเอง แต่เดี๋ยวศีลจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะศีลในที่นี้จึงหมายถึงพฤติกรรมทางด้านกายวาจารวมไปถึงความสมาูรณ์ ม, มรรทางทางด้านจิตใจด้วยการที่ทำให้น้ำใสยแยกระหว่างตะกรออกมาจากน้ำให้ใสให้ได้เปรียบได้กับการฝึกจิตนั่นเองจะเห็นว่าเมื่อจิตสงบเราจะเห็นสังเกตได้ทันทีอะไรคือภาวะที่ดีหรือไม่ดีมันจะแยกออกจากกันได้ทันทีการขันอตะกรออกจากน้าให้ได้ แยกเอตัตกจกรออกมาได้นั้นหรือทิ้งตะ ก, กร์ออกไปได้นั้นเปรียบได้กับปัญญาไตรสิกขาคือสีนสมาธิปัญญานี่เองพอมองเห็นภาพนะพยายามอธิบายให้เป็นในรูปรูปธรมรมนิดหนึ่งสาําหรับโยมมาใหม่ท่านเพงบอกว่านี่แหละถ้าเราดําเนินชีวิตอย่างนี้ชีวิตของเราจะก้าวหน้าไปสู่ความดีงามดําเนินชีวิตอย่างนี้เป็นการดําเนินชีวิตที่สุดสอดคล้องตามหลักธรรมเราเรียกว่าธรมารมจารยา พระพุทธเจ้าท่านจึงมีปกติในการสอนเพียงแค่เร่นี้เท่านั้นเองสามอย่างนี้เราเรียกว่าไตรศิกขาหรือการศึกษาสามด้านที่เราจะต้องศึกษาไตรศิกขานี้อยู่ที่วัดหรือว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนแล้วอยู่ตอนไหนบ้างอยู่ที่เราตลอดเวลาใช่ไหม อยู่ที่เราตลอดเวลานะอยู่ที่เราตลอดเวลาอยู่ที่โยมจะสังเกตไหมโยมจะทํำไหมทําเมื่อไหร่ความเกื่อกูลความสุขความดีงามโยมเกิดขึ้นมานั้นเป็นอย่างนั้นเข้าใจนะเนี่ยแหละเราจงึงเรียกว่าหลักคําสอนเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนทันะ้งบอกว่าพระธรรมหรือธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่มีค่ามากเป็นสิ่งที่เราใช้ได้ตลอดเวลา ใช้ในการดำเนินชีวิตไปตลอดเวลาและเป็นประโยชน์ทุกครั้งที่เราลงมือทำขอไป และจะเป็นประโยชน์ทุกครั้งที่เราลงมือทำไม่ได้ต่างหากจากชีวิตของโยม <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ต่างหากจากชีวิตของโยมแต่เป็นชีวิตของโยมเองนั่นแหละอยู่ที่เราจะสังเกตและอยู่ที่เราจะทำหรือไม่ นี่ ค, คือความอัศจรรย์ของคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็สิ่ ง, งต่างๆเหล่านี้ผู้ที่ประสบความสําเร็จและทำได้สำเร็จนั้นมีมากมายในยุค ข, ของเราเนี่พระสมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นมนุษย์คนแรกที่ประสบความสําเร็จแต่ไม่ใช่เพียงแค่พระสมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นพระสาวกอรหรันตสาวกทั้งหลายทําตามสิ่งที่ท่านบอกก็ประสบความสําเร็จมาแล้วนับตั้งแต่เมื่อสองพันห้ารอกว่าปีที่แล้วมาจนกระทั่งถึง ปัจจุบันเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงการปฏิบัติธรรมจึงไม่ใช่เพียงแค่ว่าไปวัดไปเดินไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิเท่านั้นไม่ใช่การปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่กับทุกสิ่งที่เราเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาท่าทีที่เราทำต่อสิ่งทั้งหลายทั้งตัวเหตุปัจจัยที่เรากำลังทาอยู่ ถ้ารู้เข้าใจทําให้เกิดความเกื้อกูล mm. เกิดความดีงามนั่นแหละเรากําลังปฏิบัติธรรมมันอยู่บ้านปฏิบัติธรรมได้ไหมได้ที่ทํางานละ่ะได้ขับรถได้นั่งอยู่เฉยเฉยก็ได้ใช่ไม่ใช่เข้าใจนะมันเมื่อจะไปมาปฏิบัติธรรมไม่หยุเข้าใจแต่ที่เราต้องแยกไปปฏิบัติเฉพาะนั้นคือเมื่อเราต้องการศึกษาด้านใดด้านหนึ่งให้ชัดเจน เราจึงแยกไปสังเกตเฉพาะโดยที่พยายามกั้นสิ่งอื่นๆที่จะเข้ามารบกวนให้มากที่สุดนั่นแหละที่เวลาเข้าไปปฏิบัติธรรมกัน7วัน15้าวันเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการดูด้านใดด้านหนึ่งให้ชัดเจนเช่นดูทางด้านจิตใจให้ชัดเจนดูทางด้านภาวะชีวิตให้ชัดเจนว่าเป็นยังไงแต่ยังมีสิ่งอื่นเข้ามารบกวนอยู่มันจะสังเกตตรงนั้นได้ไม่ชัดเจนเขาจึงต้องไปปรีกวิเวกให้สิ่งรบกวนทางด้านภายนอกน้อยที่สุดแล้วเข้าไปสังเกต เพื่อพัฒนาในเรื่องของจิตใจและปัญญาในขั้นสูงขึ้นมาแต่ไม่ได้จบแค่นั้นนะไม่ใช่ว่าไปทํเจ็ดวันสิบห้าวันกลับมาก็ลล้าเหมือนเดิมก็ทุกข์เหมือนเดิมแหละใช่ไหมยังไปอยากได้นั่นอยากได้นี่ยังอยากกระทบพวกนั้นพวกนี้อยู่ยัยงงี้ทุกข์เหมือนเดิมถ้าไปสังเกตเราเห็นภาวะอย่างนั้นแล้วยมต้องเอามาใช้ตลอดเวลาเมื่อยมกลับมาหลังจากไปปลีวิเวกแล้ว สังเกตมันตลอดเวลานั่นแหละจึงจะได้ผลอย่างแท้จริงัการปฏิบัติธรรมไม่ได้อยู่แค่เจ็ดวันสิบห้าวันหรือเดือนหนึ่งหรือสมเดือนอย่างนั้นแค่นันไม่ใช่ไม่ได้จบอยู่แค่นั้นเพราะฉะนั้นที่บอกว่าธรรมะจริยา น, นั้นเป็นการใช้ธรรมในการดชีวิตเป็นสิ่งที่เราสามารถใช้กันได้ตลอดชีวิตเลยอ่าอันนี้เอาแค่ความหมายของธรรมะแค่คำเดียวนะ เข้าใจไม่เอ่ยมีคำถามไหมเ ข, เข้าใจนะเพราะฉะนั้นเข้าใจอย่างนี้แล้วโยมจะได้บุ้งปฏิบัติให้ถูกนะคอยสังเกตไว้เสมอภายนอกตอนนี้พฤติกรรมเรากำลังทำสิ่งที่เกิดคุณดีงามอยู่หรือเปล่าจิตใจในในแง่ของกายภาพเป็นยังไงนะอย่างเดียวตอนกลางวันไปทานข้าวเนียลองดูซิปฏิบัติทำไหมถ้าเลือกตกแต่ของที่ชอบเป็นยังไงกุศลหรืออกุศล อกุศนนะแต่ถ้าเราอยากดูเออผักเท่านี้นะเนื้อเท่านี้นะกับข้าวเท่านี้ข้าเท่านี้มีวิตามินมีโปรตนเท่านี้ถ้าอย่างนี้อุศนหรื อ, ก, อกุศนอุศลเรื่นนองเราเองนะมันเวลาทานอาหารเนี่ยอ้าสิ่งที่ควรต้องพิงจรนารณาก่อนคือคือคุณค่าของอาหารเพื่อทําให้เกิดความเคพื่อนปูนทำให้ร่างกายมีเรี่ยวแรงมีกําลังความสะอาดใช่ไหม ความอร่อยนี้ต้องเอาไว้ลําดับไหนลําดับท้ายท้ายเลยนะเอาไว้เพียงแค่ให้น้ําลายมันออกความอร่อยที่กินรสชาติดีให้น้าลายขรอบรื่นอาหารให้สะดวกเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นไปปฏิบัติธรรมนัดวันนี้นะอย่างน้อยที่สุดกินอาหารนะอย่างน้อยที่สุดกินอาหารนะมั้นออกไปนี้พวกโฆษณานเนี่ยคนดูไหมพวกโฆษณาขายของเยอะยอะทีวีเปิดก็มีโฆษณามาเี่หรือรับหนังละครเนี่ยคนดูไหม มหมืไหยังควรอยู่อ่ะคือจันนาเองก็แล้วแต่พอเห็นแล้วอยากซื้ออยากซื้คป น, นิจใจเป็นยังไสงสลบของใสหไปอคุณมัวเศ้ามองโยมรับผลนั่นเองนะอย่างที่บอกพระพุทธเจ้าไม่ได้ลงโทษนะแล้วไม่มีใครลงโทษอยู่นโยมทําตัวของโยมเิงนะถ้าจะไป็นตัดสินใจอนยะ่างไะแล้วมันก็ติดติดแล้วพอ น, นิจตังก็จะเริ่มไม่มีแล้วต้องเริ่มหมดยากก่อนแล้วก็ต้องเสียเวลาไปซื้อหาไปเที่ยวไปเสพไปดูเวลาที่ทำงานนี้กหน้ลง ความก้าวหน้าในการประกับปิดหน้าที่การางานมันก็ลดลงจิตใจที่ผ่องใสที่เคยผ่องใสมันก็จะหายไปมันก็ติดอยู่กับตนังตาหนะองถ้าโยมเลือกอย่างนั้นก็โยมก็ต้องรับผลเอง น, นะแต่ถ้าโยมไม่เลือกอย่างานัง้นเหตุผลเป็นเหตุและเป็นปัจจัยธรรมชาติเป็นอย่างนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของมนุษย์นะเหตุปัจจัยเป็นไปตามกฎธรรมชาติไม่ใช่เป็นไปตามความต้องการของมนุษย์ ไม่โยมเลือกแล้วโยมตองรับผลนั้นนะอย่างที่เราเรียกว่าผลกรรมนะ่ะซึ่งผลกรรมมีทั้งทางที่ดีและไม่ดีใช่ไหมขึ้นอยู่กับการกระทำและเหตุปัจจัยที่เราทํานั่นเองนจิตใจของเราเราควรเป็นยังไงเอาเขอภัยเอาพฤติกรรมที่มีต่อกันละ่ะควรเป็นยังไงเอ่ยเจอหน้ากันควรเป็นยังไงจึงจะเกิดความกุศลความดีงามเพื่อกูยิ้มแย้มแจ่มใสให้อะการซึ่งกันและกันใช่ไม่ใช่ทํากันแล้วยังอา้าหันไปทางด้านซ้ายทุกคนหันไปทางด้านซ้ายเอ้ย หันหน้าเข้าหากันซ้ายเดี๋ยวซ้ายหมดไม่เจอใครเอาหันหน้าเข้าหากันเอายิ้มให้กันสักทีหนึ่งทางซ้ายหนึ่งทีอ่าทางขวาหนึ่งทีอ้าวแล้วทำให้เกิดกุศลความเกื้อกูลใช่ไหมใช่อ้าวเนี่ยอย่างเงี้ยทำให้มากๆสิเจอน่ากันโอภาปราสายตั้งจิตใจให้ดีงามเนี่ยอ่าอย่างงี้กุศลเกิดขึ้นเห็นั่นใจเราดีงามจิตใจของเราเราควรเป็นยังไง รักษาให้ผ่องใสดีงามมองไปทางด้านไหนมองด้วยความรักความปรารถนาดีต่อทุกสิ่งทุกอย่างต่อสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนีย่ยรักษาเอาไวส้สิจิตใจอย่างนี้นะอย่าให้คนขับรถปาดหน้ามาขโมยนะอย่าให้โฆษณามันมาคบขโมยเอาความสุขของเราไปนะหรืออย่าให้คนนั้นคนนี้ที่มาบอกกับเราอย่างนั้นอย่างนี้มาขโมยเอาความสุขในใจของเราไปเราต้องรักษามันไว้นะก็เราต้องการความสุขนี่ใช่ไหมอย่าให้สิ่งเหล่านั้นมันมาขโมยไป แล้วเขากลับเอาสิ่งที่ไม่ดีมาใส่ในจิตใจของเราแล้วเราเราเป็นทุกข์เองอย่าไปทําอย่างนั้นแล้วหมั่นพิจารณาเอาไว้อยู่ตลอดเวลาเข้าใจนะปฏิบัติทําจริงๆไม่ใช่เรื่องยากมีทั้งเบื้องต้นที่ทําได้ตลอดเวลาอย่างนี้ไปจนกระทั่งถึงขั้นสูงถ้าขั้นสูงก็จะยากขึ้นมาตามลําดับนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนหรือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะถ้าจะกล่าวอย่างสรุปเลยเอาให้สั้นที่สุด ถามว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรอาจจะบอกได้เลยว่าพระพุทธเจ้าสอนอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นก็คือเรื่องของการที่เราพยายามใช้สิ่งต่างๆหรือองค์ประกอบชีวิตต่างๆนี้ให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่และอย่างดีที่สุดเห็นคุณค่าของวันเวลาเห็นคุณค่าของทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากําลังมีอยู่และใช้ประโยชน์จากมันให้เต็มที่ให้สมคุณค่าทําให้เราเข้าถึงจุดหมายในชีวิต โดยที่ไม่ปล่อยประละเลยอธิบายนายืดยาวเลยแต่ถ้าว่าเป็นสัพธรรมะรวมอยู่ได้ในคําคําเดียวก็คือคําว่าอัปปมาทะหรือสอนเรื่องความไม่ประมาทนั่นเองซอนอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นอา้าวจริงไม่จริงมันท่านถึงชี้ให้เห็นไงองค์ประกอบมีแบบนี้องค์ประกอบเหล่านี้อยู่ชั่วคราวนะเกิดขึ้นแล้วจะแปลเปลี่ยนนะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอด ทั้งภายนอกและภายในเธอเร่งสร้างเหตุปัจจัยให้เต็มที่ในขณะที่เธอยังมีโอกาสในขณะที่เธอยังมีความรู้ในเกี่ยวกับเรื่องนี้ในขณะที่เรายังมีโอกาสศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าชาติหน้าเราอาจจะไม่ได้เจออีกสิบปีข้างหน้าไม่แน่นะอาจจะไม่มีคําสอนในลักษณะอย่างนี้อยู่อีกแล้วก็ได้อันนี้เราไม่ทราบเลยที่ไม่มีไม่ใช่คําสอนไม่มีเราอาจจะต้องไปประเทศที่ไม่มีการเรียนการสอนในเรื่องนี้เลยก็ได้ใช่ไม่ใช่ มีโอกาสเธอรีบทำอย่าประมาทเห็นคุณค่าของวันเวลาเห็นคุณค่าถึงสิ่งที่กําลังมีอยู่ใช้ให้เกิดคุณค่าอย่างแท้จริงต่อชีวิตต่อจิตใจของเธอเนี่ยรวมความอยู่ในความไม่ประมาททั้งหมดเลยพฤติกรรมที่ดีงามแต่ต่อสิ่งแวล้อมะสังคมตอนนี้มีโอกาสทํารีบทำเสียนะจิตใจตอนนี้มีโอกาสทํารีบทําเสียปัญญามีโอกาสทํารีบทำเสียอย่าปล่อยประละเลยอย่าพลัดวันประกันพรุ่ง เพราะฉะนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดถ้าจะกล่าวรวบยอดรวมลงได้อยู่ในความไม่ประมาทหรืออัภิมาทะนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรตอบอย่างสั้น ง, ง่ายที่สุดก็คือสอนเรื่องความไม่ประมาทแต่ต้องอธิบายออกไปอีกนะเพราะความไม่ประมาในที่นี้มีความหมายกว้างมากกินความกว้างมากเข้าใจนะครนี้บางคนบอกแหม สอนอย่างเดียวนี่มันน้อยไปเอาสองอย่างได้ไหมสองอย่างก็ได้แบ่งเป็นสองอย่างก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเถียงกันนะว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างเดียวหรือสองอย่างแล้วแต่จะจัดแบ่งให้ละเอียดออกไปอย่างไรสอนแค่สองอย่างก็ได้สองอย่างได้แก่สอนเรื่องอะไรหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักทุกที่สอนให้รู้จักทุกเพราะว่าเราจะได้ไม่สร้างเหตุสร้างปัจจัยและไม่ทําให้เกิดความทุกข์สองสอนเรื่องความดับทุกข์ เพื่อที่เราจะได้เร่งสร้างเหตุปัจจัยให้เราพ้นจากความทุกข์มันอาจจะกล่าวว่าคําสอนในทางพระพุทธศาสนาหรือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นมีแค่2 อ, อย่างคือสอนเรื่องทุกข์และความดับทุกข์จริงหรือไม่จริงมนุษย์ทุกวันนี้ก็ต้องการอยู่แค่สองอย่างเท่านั้นแหละเป็นเป้าหมายใช่ไหมใช่ไม่ต้องการให้ตัวเองเป็นทุกข์แต่เราต้องรู้ก่อนว่าทุกข์คืออะไรเหตุปัจจัยอะไรทำให้เกิดทุกข์ ถ้าเราไม่รู้เราไปทําอย่างนั้นเข้าเราจะทุกข์ใช่ไหมมันจึงต้องเรียนรู้เรื่องทุกข์แต่เรียนรู้เรื่องทุกข์ไม่ใช่เพื่ออยู่เป็นทุกข์ใช่ไหมเรียนรู้เรื่องทุกข์เพื่อกําหนดรู้แล้วไม่สร้างเหตุไม่สร้างปัจจัยให้เกิดภาวะเช่นนั้นเกิดขึ้นแล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุขนะมีความสุขเนี่ยหนังสือเล่มหนึ่งของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรมคุณาพรท่านถึงตั้งชื่อเรื่องนี้เอาไว้นะบางคนอาจจะเคยได้อ่านแล้ว ทุกสาหรับเห็นแต่สุขสาหรับเป็นนะเพราะฝรั่งไม่เข้าใจเรื่องนี้นะหรือบางทีคนไทยเองไม่เข้าใจเรื่องนี้ไม่เข้ามาศึกษาให้เข้าใจเลยมาเห็นว่าโอ้พุทธศาสนาเทสมิสติกมองอะไรก็เป็นทุกข์หมดอย่างนี้คนก็ใจห่อเหี่ยวเป็นทุกข์แย่สิเคยคิดอย่างนี้ไหมเคยคิดไม่เอ่ยบางคนอาจจะเคยคิดใช่ไหม สอนมาอะไรอะไรก็ทุกอะไรอะไรก็ทุกอย่างนี้ฉันก็ทุกแย่สิมันไม่ใช่นั่นเป็นเพราะเราเข้าใจไม่ถูกใช่ไหมถ้าเราไม่รู้จักทุกไม่รู้จักสาเหตุของความทุกเนี่ยโยมเผลอไปทําเข้ายมจะทุกนะต่อให้โยมอยากมีความสุขโยมก็จะทุกแต่ถ้าเรารู้มันแล้วคัเนี้เราจะระวังป้องกันมันได้แล้วไม่ไปทําใช่ไหมพอเราระวังป้องกันไม่ไปทําแล้วคันนี้เป็นยังไงมันก็สบายมันก็มีความสุขสิใช่ไหมปฏิบัติได้ถูกต้อง เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนอยู่สองเรื่องเท่านั้นคือทุกข์และความดับทุกข์ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าจะตอบก็ตอบสองอย่างก็ได้เอาสามอย่างได้ไหมสามอย่างก็ได้ถ้าแบ่งสามอย่างนะสามอย่างง่ายเลยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนเหมือนกันสอนแค่สามอย่างนี้เหมือนกันคือหนึ่งสอนให้ไม่ทําบาปทั้งปวงใช่ไหมสองสอนให้ ทำความดีให้ถึงพร้อมสามสอนให้ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนี่ก็ครอบคลุมคำสอนทั้งหมดของพระพุทธศาสนาละคำสอนนี้มาในตอนไหนเอ่ยวันอะไรเอ่ยวันอะไรเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันอะไรเอ่ยวันมาฆบูชาเรียกว่าเรียกว่า โอวาถ้าปาติโมกนะอันนี้ต้องำจำให้ได้นะพยายามโยงเข้าในเรื่องของวันสำคัญทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นสำคัญไม่วันนี้เป็นวันที่ท่านบอกถึงหลักการดำเนินชีวิตทั้งหมดเลยว่าดำเนินชีวิตอย่างไรชีวิตมนุษย์จึงจะพบกับความสุขสอนสามอย่างก็ได้ใช่ไหมก็คือหนึ่งละเว้นจากบาปทั้งปวงสองทำความดีให้ถึงพร้อมและสามทจิตให บริสุทธิ์ผ่องใสนี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ไหมได้ไม่เยอะใช่ไหมจาได้แน่นอนถ้างั้นสอนสี่ อ, อย่างได้ไหมสี่ อ, อย่างก็ได้เห็นไหมแล้วแต่จะแบง่ง <c ười> คุยกันทั้งวันก็บแบ่งกันไปได้เรื่อยเลยนะเอาสี่ อ, อย่างหลักที่สําคัญเลยที่เป็นหัวใจเลยคืออะไรเอ่ย อริยสัจสี้า่เก่งมากจํากันได้ทุกคนแต่รู้ไหมว่าอริยสัจสีคืออะไรบ้างทุกสมุทัยนิโรธมรรคและทุกเราควรจะทํายังไงกับมันควรทํายังไงกับมันแล้วสาเหตุของทุกควรจะทํายังไงกับมันชักเงียบละแล้วลนิโรธควรจะทํายังไงกับมันมรรคเราควรทํายังไงกับมัน เอางั้นขยายความให้ฟังนิดนึงกันแล้วกันนเอาแบบสั้นๆเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะสอนเรื่องนี้อย่างละเอียดนะเพราะฉะนั้นบอกสอนสี่อย่างนะก็แยกมาจากเรื่องของทุกข์และความดับทุกข์นี่แหละพอสอนเรื่องทุกข์ก็แยกออกไปสอนให้รู้จักทุกข์ว่าทุกข์มีอาการมีภาวะอย่างไรมีขอบเขตแค่ไหนมีองค์ประกอบไหนบ้างที่เป็นทุกข์ที่เราเรียนเรื่องขันห้าอายตนะหอะไรต่างๆเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องเนี้เรื่องทุกข์ แต่ท่านสอนมากกว่านั้นว่าสอนให้รู้จักทุกขเพื่ออะไรไม่ใช่ให้เป็นทุกขแต่เพื่อให้เรารู้เราเรียกว่าไปกําหนดรู้ตามความเป็นจริงแต่อย่าไปอึดอัดคับข้องกับมันไปกําหนดรู้ไปสังเกตมันตามความเป็นจริงว่าโอ้อาการและภาวะมันเป็นเช่นนี้นี่เองเนี่ยภาวะทุกข์เป็นเช่นนี้นี่เองอาการที่ทําให้เกิดทุกข์เป็นเช่นนี้นี่เองเพราะฉะนั้นหน้าที่ต่อทุก์ไม่ใช่หน้าที่เป็นทุกขหน้าที่ต่อทุกข์คือ การไปกำหนดรู้ตามสภาพตามภาวะตามความเป็นจริงขององค์ประกอบนั้นๆที่เป็นทุกข์ใครปฏิบัติขั้นวิปัสนาเนี่ยจะต้องเริ่มตรงนี้ก่อ น, น, นเป็นอันดับแรกเลยนะไม่ s u b j e c t i v ไม่แปลความหมายภาวะเป็นยังไงเข้าไปสังเกตใช้สติคอยสังเกตสังเกตอาการไปเรื่อยๆใช่ไหมนี่กำหนดรู้ทุกข์แต่แค่กำหนดรู้เท่านั้นไม่พอขั้นที่สองต้องสืบสาวเหตุ ป, ปัจจัยที่ทําให้เกิดภาวะและอาการเช่นนั้นเกิดขึ้น มันโยมต้องรู้ถึงองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆว่ามีปัจจัยสัมพันธ์กันอย่างไรจรึงทําให้เกิดภาวะที่เป็นทุกข์แล้วเราจะสืบสาวหาสาเหตุคือสมุทัยได้สมุทัยคือเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์หรือสาเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์อะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้เกิดทุกข์ตัวอย่างที่อาตมายกให้ฟังเมื่อตอนเวลาประมาณสักใกล้ๆสิบเอ็ดโมงอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงนั่นแหละ ภาษาธรรมะท่านเรกอาการอย่างนั้น่ะมีอยู่ตลอดเลยใช่ไหมตามองไปปุ๊บเริ่มทันทีเลยใช่ไหมอัตโนมัติขึ้นมาทันทีเสียงเข้ามากลิ่นเข้ามาหรือเวลาเกิดความคิดเกิดความรู้สึกอาการอย่างนี้มันจะแสดงสแสดงอาการทันทีทําให้เราเข้าไปยึดติด ก, กับมันเพลิดเพลินกับมันอาการอย่างนั้นเนี่ยภาษาธรรมะท่านใช้คําคําเดียวในการเรียกท่านเรียกว่าตัณหาความเพลิดเพลินความยินดี นะความยึดติดถือมั่นแต่เราตัสแยกออกมานะอาการยึดติดถือมั่นนั้นท่านจะเรียกว่าอุปาทานมันก็เรียกว่าตัณหาอุปาทานนั่นแหละเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดทุกขนะ์ไม่ว่าองค์ประกอบนั้นจะเป็นอะไรที่เรารับรู้เข้ามาเข้ามาก็ตามถ้าเมื่อไหร่ก็ตามตัวนี้มันเข้าไปสวมเมื่อไหร่มันเข้าไปจับเมื่อไหร่มันบีบยงเมื่อ น, นั้นนะอาจจะทําให้เกิดสุขชั่วคราว แต่พอสิ่งนั้นแปลเปลี่ยนไปเป็นยังไงทุกจะเกิดทันทีระวังเรื่องนี้แต่ถ้ามีสิ่งที่โยมไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยเจอโยมไม่ได้ให้ความสำคัญถ้าสิ่งนั้นแปลเปลี่ยนไปโยมจะทุกไหมไม่ทุกเพราะอะไรเพราะตัณหาอุปทานมันยังไม่เข้าไปจับใจเรายังเข้าไปไม่ไม่เข้าไปยึดไงเมื่อโยมอ่านหนังสือพิมพ์ตอนเช้าอ่ะเปิดหนังสือพิมพ์มีคนตายไหมเมื่อเช้ามีทุกไหม ร้องไห้ไหมเออนั่นแหละเห็นไหมแต่ถ้าลองเป็นญาติพี่น้องของเราวันนี้สิกําลังป่วยหนักสิตอนนี้นั่งอยู่ไม่ติดแล้วละ่ะใช่ไม่ใช่สาเหตุของทุกข์อยู่ที่ตรงนี้นะอย่ามัวแต่ไปวิ่งหาข้างนอกเพราะหน้าที่ต่อทุกข์คือเอาเขาไปหน้าที่ต่อสาเหตุของทุกข์คือโยมต้องลากหรือกําจัดมันนะอย่าให้มันเกิดนะอย่าให้มันวิ่งเข้าไปจับสิ่งต่างๆเหล่านั้นอย่าให้มันเกิดขึ้นในใจของเรานี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน รา ก, การที่สามเมื่อรู้จักทุกข์รู้ถึงสาเหตุแล้วเราต้องรู้ถึงเป้าหมายหรือภาวะที่เราควรจะเป็นภาวะอย่างนี้ก็คือภาวะที่เราเรียกว่าภาวะที่พ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงซึ่งเราเรียกว่านิโรดนั่นเองนิโรดนันนิโรดนั้นคือเป็นภาวะที่เป็นเป้าหมายภาวะที่ปราศจากทุกข์โดยสิ้นเชิงภาวะอย่างนี้ก็คือภาวะที่ ปราศจากตัณหาอุปาทานแล้วนั่นเองสิ่งต่างๆแปลเปลี่ยนเข้ามากระทบไปอย่างไรเราจะทําหรือไม่ทําไม่ถูกกระทบอีกต่อไปละภาวะอย่างนี้เราเรียกว่านิโรธเราเรียกเป็นภาวะที่เป็นอิสระเป็นภาวะที่หลุดพ้นนั่นเองซึ่งโยมก็ต้องรู้ใช่ไหมว่าเป้าหมายคืออะไรไม่ใช่วิ่งเข้าไปยึดแต่เราต้องทําลายความยึดติดถือมั่นและความเพลิดเพลินดีเหล่านี้แต่เวลาพูดอย่างนี้โยมบางท่านอาจจะบอกว่า เอ๊ถ้ามายึดติดถึงหบ้านอย่างนั้นฉันก็ไม่ต้องทําอะไรสิประเทศชาติก็ไม่เจริญสิขออภัยนะขนาดกระดับผู้นําประเทศก็ยังมีพูดอย่างนี้มาแล้วในสมัยก่อนถึงขนาดห้ามสอนพุทธศาสนาในโรงเรียนหรือถ้าพระจะสอนห้ามพูดเรื่องความสันโดษห้ามเรื่องของพูดถึงเรื่องการรักตัณหาอุปท า, านเพราะไม่เข้าใจไม่เข้าใจพุทธศาสนาไม่เข้าใจหลักเลยแล้วก็พูดไปด้วยความไม่เข้าใจ อาตมาถามโยมนิดหนึ่งคนที่รับได้อย่างแท้จริงจิตใจไม่มีความยึดติดถือมั่นแล้วถ้าเขาจะต้องทำเขาจะเป็นทุกข์ไหมไม่ทุกข์ใช่ไหมถ้าไม่ทำจะเป็นทุกข์ไหมไม่ทุกข์ทำจิตใจก็ยังปลอดปลงผ่องใสมีความสุขไม่ทำจิตใจก็ยังปลอดป่งผ่องใสมีความสุขใช่ไหมนี่คือผู้ที่ลับได้อย่างแท้จริง มันพู้ที่ละได้อย่างแท้จริงมีจิตที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงอย่างนี้ไม่ว่าจะทําหรือไม่ทําเขาก็มีความสุขแล้วก็ไม่เป็นทุกข์เมื่อเขาพิจารณาด้วยปัญญาแล้วเห็นว่าสิ่งนั้นควรทําเป็นสิ่งที่เกื้อกูลจะก่อประโยชน์เกื้อกูลต่อคนอื่นๆต่อสิ่งแวดล้อมต่อสังคมยมว่าเขาจะทํำไหมทําแล้วทําอย่างเต็มที่ด้วยใช่ไม่ใช่ทําด้วยใจที่บริสุทธิ์อย่างเต็มที่แล้วมีความสุขในการทํา ไม่ว่าผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรแต่เขาจะพยายามทาเหตุามปัจจัยอย่างเต็มที่ใช่ไม่ใช่ส่วนคนที่ถ้าทําแล้วมีความทุกข์ไม่ทําอยู่นิ่งๆเฉยๆแล้วมีความสุขอย่างนี้ยึดติดไหมยึดไหมยึดสิยึดในความขี้เกียจไงยึดในความสบายของตัวเองใครบอกไม่ยึดละ่ะใช่ไม่ใช่ไ อ, อย้ยางนี้ยึดติดแล้วยึดติดมากด้วยใช่ไหม ยึดติดในความรู้สึกยึดติดในการนั่งอยู่เฉยเฉยเล่นนั่งเสพสุขของตัวเองมันเลยทําไม่ได้ไงคนประเภทนี้ทําจะทุกข์ไม่ทําอยู่นิ่งเฉยเฉยหรือได้ทําสิ่งที่ตัเองชอบใจหรือตัวเองเสพสุขจะมีความสุขพวกนี้กิเลสหนาะติดอย่างเต็มที่ใช่ไม่ใช่อีกพวกหนึ่งกังวลวุ่นวายต้องทําถ้าฉันไม่ทําแล้วไม่ได้ถ้าสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นกับฉันแล้วไม่ได้ฉันทุกข์หนัก อย่างนี้ยึดไหมยึดนี่พวกนี้ก็สุดโต๊ะอีกทางหนึ่งนี่ก็ยึดอย่างเต็มที่มันยึดทั้งสองทางเลยใช่ไม่ใช่ระวังเรื่องนี้ให้ดีสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมอย่าไปคิดวันนั่งนิ่งๆเชยเฉปล่อยปละละเลยวนันโอนี่ฉันกำลังปฏิบัติธรรมฉันไม่ยึดติดถือมัน่นตรงกันข้ามนะนั่นแหละกาลังยึดติดถือมั่นอยู่อย่างหนักเลยกําลังติดอยู่ในฝ่ายของพวกกิเลสประเภท ทีน่มิทะความซึ่งซื่อม่วงเหงาหานอนความขี้เกียจหรือติดในพวกราคาะก็คือนั่งนิ่งๆเฉยๆมันสบายปลอดโปมีความสุขฉันไม่อยากทําอะไรแล้วนั่นแหละให้รู้ไว้นะนั่งแล้วสบายมีคนมาเรียกไม่อยากไปแล้วงานจะทําไม่อยากทำแล้วอยากนั่งเฉยๆมีความสุขอย่างนั้นนั่นแหละกิเลสแล้วมันกําลังผูกโยมไว้แต่มันกิเลสแย่ายละเอียดนะแล้วเรื่องนี้เดี๋ยวจะแยกให้ฟังอีกตอบอีกอี ก, อ, กอีกครั้งหนึ่ง แต่อย่าเพิ่งไปกลัวว่าไม่นั่งสมาธินะไม่ใช่นะทําให้ได้ก่อนเถอะแล้วค่อยมาระวังเรื่องนี้นะถ้ายังทําไม่ได้ก็ยังไม่ต้องไปที่นึกถึงเรื่องนี้เท่าไหร่อันนี้บอกให้รู้ให้เข้าใจเสียก่อนเข้าใจนะอ้าวเหมืนนิโรธภาวะที่พ้นจากความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นภาวะที่เราจะต้องประจักษ์แจ้งให้ได้นะภาษาธรรมเรียกว่าสัฉิกิริยานะหมายถึงประจักษ์แจ้งทําให้มีในตัวเรา ทำให้มีในตัวเราแต่ภาวะเช่นนี้มันไม่ใช่เกิดขึ้นเองเพียงแค่เราคิดเราต้องมือสร้างเหตุสร้างปัจจัยจึงโยงเข้ามาสู่การสแสวงหาเหตุปัจจัยว่ามีอะไรบ้างตามกฎธรรมชาติที่จะทำให้ภาวะนิโรดนี้เกิดขึ้นกับเราจึงต้องไปศึกษาเหตุปัจจัยศึกษากฎและความจริงของธรรมชาติจากนิโรดนี่แหละจึงโยงเข้าสู่วิธีการที่เ ร, เรียกว่ามรค เพราะฉะนั้นโยมจะต้องเข้าไปศึกษาให้รู้เข้าใจเสียก่อนมองแง่มุมต่างๆแล้วลงมือสร้างเหตุสร้างปัจจัยขึ้นมาแล้วความสำเร็จภาวะที่กิดขพวกนี้จะค่อยๆเกิดขึ้นตามลำดับมาร์กหรือวิธีการนั้นโยมต้องรู้แต่รู้แค่นั้นพอไหมพอไม่เอ่ยหน้าที่ต่อมาคือเราต้องปฏิบัติหรือลงมือทำถ้าไม่ลงมือทาผลจะไม่เกิดบอกแล้วเหตุปัจจัยของธรรมชาตินั้นเราต้องเป็นคนสร้าง เราต้องสร้างเหตุปัจจัยผลจึงจะเกิดขึ้นไม่ใช่รู้แล้วนั่งอยู่เฉยๆนั่งคิดเอาแล้วมันจะเกิดมันไม่ใช่อย่างนั้นนะต้องสร้างเหตุปัจจัยต้องลงมือทำหน้าที่ต่อมากจึงต้องลงมือทําเอาเป็นภาษาธรรมะนิดนึงก็แล้วกันเป็นบาลีเะั้นทุก์ท่านบอกว่ามีหน้าที่กําหนดรู้เพราะฉะนั้นโยมเวลาเกิดปัญหาเกิดขึ้นอย่าไปนั่งทุกกับมันนะถ้าไปนั่งทุกกับมันแสดงว่าไม่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเรากําลังไม่ทำเหตุทําปัจจัยที่ควรจะทําณขณะนั้น ทุกนั่นมีทนหน้าที่กําหนดรู้ขอบเขตแค่ไหนอาการเป็นอย่างไงคําว่ากําหนดรู้นั้นภาษาธรรมะมีชื่อเรียกว่าปริญญาปริญญาปริญญาจึงหมายถึงการกําหนดรู้รู้ตามสภาพตามภาวะที่มันเป็นสมุทยัยสาเหตุของความทุกข์เรามีหน้าที่คือต้องลักกาจัดหรือแก้ไขถ้ามันเกิดขึ้นต้องลักต้องกําจัดต้องแก้ไขภาษาธรรมะ คว่ารักกำจัดหรือแก้ไขนั้นท่านใช้คำว่าปะหานะปอปลาหอหิบสรารานนอนหนูนั่นเองนะปะหานะกำจัดหรือแก้ไขไม่ให้มันเกิดนี่คือหน้าที่ของเราไม่ใช่เป็นมีหน้าที่ไปพนักพนอมันนะนิโรธความดับทุกหน้าที่ของเรามีหน้าที่เข้าถึงให้ได้ทำให้เกิดมีขึ้นมา ภาษาธรรมะ ก, การทำให้เกิดมีขึ้นมาหรือทำให้ปรากฏขึ้นมานั้นเราเรียกว่าสัจจกิริยาสัจิกิริยามนะีหน้าที่ต่อนิโรธมักหรือวิธีการเมื่อเรารู้วิธีการแล้วหน้าที่ของเราคือมีหน้าที่มีหน้าที่อะไรเอ่ยมักลงมือทาลงมือปฏิบัติการลงมือทาลงมือปฏิบัตินั้นภาษาธรรมะใช้คำว่าภาวนา ได้ยินนะเรคยได้ยินนะมันภาวนาไม่ใช่ไปนั่งทำปรับขมุบขมิบขมุบขมิบไม่ใช่เป็นการลงมือเข้าไปสังเกตหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขพัฒนาความดีไงามให้เกิดขึ้นการลงมือทำอย่างนี้เราเรียกว่าภาวนาาพระพุทธเจ้าสี่สิบห้าพรรษาหลังจากตรัสรู้สอนอยู่แค่สี่อย่างนี้เท่านั้นคืออริยสัจสี่นะแต่ท่านจะแตกแล้วก็แจกแจกออกไปบางคนสอนไม่ครบบางคนสอนครบ แล้วแต่เห็นแล้วแต่ปัจจัยของแต่ละคนที่ท่านไปเจอเข้าใจนะอา่าวเพราะฉะนั้นผู้พุทธศาสนาหรือผู้พุทธเจ้าสอนอยู่สี่อย่างที่จะเป็นประโยชน์กับมนุษย์ก็คืออริยสัจ ส, สี่ทีนี้บางคนสงสัยเอ้ยสอย่างมันอาจจะยังน้อยไปเอาห้าอย่างได้ไหมเอาห้าอย่างก็ได้นะก็เดี๋ยวห้าอย่างนี้เอาเป็นเป็นหัวข้อสุดท้ายก็แล้วกันนะนะเพราะาตอนนี้เหลืออีกเวลาอีกห้านาทีนะห้าอย่างได้ไหมห้าอย่างก็ได้ แล้วจริงๆท่านก็สอนอยู่แค่5อย่างนี้เท่านั้นสอนเรื่องอะไร 1. สอนเรื่องของการสารวมระมัดระวังพฤติกรรมในการเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสังคมให้เกิดความเกื่อกูลเกิดเกิดความดีงามเกิดขึ้นพฤติกรรมและความสัมพันธ์ที่เกื่อกูลและดีงามต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนั้นภาษาธรรมะมีชื่อเรียกสั้นๆว่าศีลเพราะฉะนั้นศีลไม่ใช่ข้อห้าม ศีลไม่ใช่ข้อควรปฏิบัตินะอันนี้เข้าใจให้ถูกศีล น, นั้นหมายถึงพฤติกรรมของเราเองเลยความสำรวมระมัดระวังและพฤติกรรมที่เครือกูลดีงามต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมหรือแม้แต่ข้าทั่งต่อจิตใจของเรานี่คือตัวศีลทั้นพระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้สำรวมระมัดระวังเอาจริงไม่จริงนี่เป็นหัวข้อหนึ่งที่ท่านสอนสอนมาตลอดแต่ไม่ใช่เพียงแค่พฤติกรรม ความสัมพันธ์ที่คกือกูลดีงามเท่านั้นขออภัย <c oughs> สิ่งที่ท่านสอนมีมากกว่านั้นไม่ใช่เพียงแค่ศีลท่านสอนให้รู้จักฝึกพัฒนาจิตใ จ, จซึ่งเป็นองค์ประกอบชีวิตอีกอย่างหนึ่งของเราพัฒนาจิตใ จ, จให้ผ่องใสดีงามมีคุณภาพมีสมรรถภาพอา้าวใช่หรือไม่ใช่ เพราะเป็นองค์ประกอบชีวิตอย่างหนึ่งที่เราต้องพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่จิตใจเท่านั้นท่านสอนให้พัฒนาอะไรขึ้นมาอีกความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆที่ตรงตามความเป็นจริงเราเรียกว่าปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญานะแต่ท่านไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นไม่ใช่เอาแค่รู้เท่านั้นต้องทำให้มากกว่านั้น ก็คือการที่ต้องเข้าไปประจักษ์แจ้งด้วยตัวเองด้วยในภาวะต่างๆเหล่านั้นการเข้าไปประจักษ์แจ้ง ด, ด้วยตัวเองด้วยปัญญานั้นภาษาธรรมะมีชื่อเรียกว่าญาณทัศนะนี่เป็ญญนอย่างที่สี่มาจากคำว่าญาณแปบลบว่าความรู้หรือปัญญาไม่ใช่ปัญญาแบบสับปัญญิแล้วนะไม่ใช่คาพูดแล้วแต่หมายถึงการประจักษ์แจ้งภาวะทัศนะแปบลบว่ามองเห็นไง มองเห็นหรือประจักษ์ด้วยปัญญาด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริงเนีย่ยเราเรียกว่ายานทัศนะแต่ท่านไม่คําสอนของท่านไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นสอนให้เข้าถึงยานทัศนะ์เกิดยานทัศนะเพื่อวิมุติคือความหลุดพ้นนั่นเองนี่แหละจุดหมายสูงสุดและคือวิมุติคือความหลุดพ้นเพราะฉะนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าตลอดสี่ห้าพรรษานั้นจึงสอนอยู่เพียงห้าอย่างนี้เท่านั้นจริงไม่จริง นี่แลหละ้าอย่างนี้นะแต่และอย่างเวลาภาษาธรรมะในสมัยก่อนเราเรียกกลุ่มก้อนคำว่ากลุ่มก้อนในสมัยก่อนนั้นท่านจะใช้คำว่าขันคำว่าขันคือกลุ่มก้อนพวกถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษ ก, ก็พวก category หรือ group ก็ได้นะก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นห้าอย่างหรือกลุ่มห้าอย่างหรือองค์ประกอบ5้าอย่างนี้เราจึงรวมเรียกว่าขันห้า ขันห้านี้โยมอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะอาตมาเองเมื่อก่อนก็ไม่เคยได้ยินมาได้ยินตอนที่พระเดชพระปิจจานั่นท่านเล่าให้ฟังนี่เองว่าเนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจา้าสอนเราจะเรียกว่าขันห้าเขาได้แต่ขันห้าในที่นี้เป็นความหมายคนละความหมายกับองค์ประกอบของชีวิตห้าอย่างแต่องค์ประกอบห้าอย่างนี้หรือกลุ่มห้าอย่างนี้คือกลุ่มที่เราจะต้องฝึกและพัฒนาขึ้นมา แล้วเราจะพบกับจุดหมายที่แท้จริงของชีวิตหรือจะพบกับความสุขที่แท้จริงนั่นคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นถ้าจะพูดอย่างสรุปรวดยอดก็บอกสอนแค่ห้าอย่างนี้เท่านั้นอา้าวใช่หรือไม่ใช่เรื่องเดียวกันหมดเลยใช่ไหมที่กล่าวมาจะแบ่งเป็นหนึ่งอย่างสองอย่างสามอย่างสี่อย่างห้าอย่างหรือธรรมะสี่ความหมายตั้งแต่ต้นที่อาตมากล่าวถึงเนี่ยมันเรื่องเดียวกันทั้งหมดจริงหรือไม่จริงเนี่ยแหละความอัศจรรย์ของ คำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากเป็นรัตนที่แท้จริงมันขอให้โยมเวลานึกถึงให้โยมมีความภาคภูมิใจมีความอิ่มใจที่เราได้เข้ามาศึกษาที่เราได้เข้ามาฝึกที่เราได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติที่เราได้มีโอกาสเข้ามาสังเกตรธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องยากลําบากเหมือนกับสุเมตตาบทใช้เวลาต้องสี่อสงไขยกับหนึ่งแสนกับกว่าจะสังเกตพวกนี้เห็น พวกเราจนะสบายกว่าเยอะมันสิ่งเหล่านี้โยมต้องรักษายิ่งชีวิตเลยนะคำสอนเหล่านี้ความดีงามเหล่านี้โยมอย่าต้องอยากให้มาใครมาบิดเบือนนะไม่เช่นั้นรุ่นลูกรุ่นห ล, น ล, น ล, นลานต่อไปเนี่ยถ้ามันบิดเบือนไปแล้วหรือมันเดินหายไปแล้วอย่าคิดว่าจะมีคนมาค้นพบอย่างนี้ได้อีกในอนาคตอันใกล้นะไม่มีนะนู่นอีกยาวไกลเลยนะยาวไกลแค่ไหนในพระตไตรปิฎกท่านกล่าวไว้ ยาวไกลขนาดไหนบอกไม่ได้เอาเป็นว่าถ้าจะเทียบคืออายุมนุษย์ในตอนนี้คือร้อยปีอายุมนุษย์ลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสิบปีต่อมาอายุมนุษย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงหนึ่งอสงขายแล้วลดลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงแปดหมืนปีตอนยุคนั้นน่ะแหละจึงจะมีผู้ค้นพบสิ่งนี้อีกครั้งหนึ่งยาวนานแค่ไหนบอกไม่ได้ เพราะฉะนั้นรับเมื่อเรามีโอกาสแล้วนะโยมลองตั้ง priority ในชีวิตของโยมเองก็แล้วกันว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตของโยมเพียงแค่วัตถุสิ่งของสิ่งภายนอกซึ่งสุดท้ายโยมจะต้องทิ้งไปทั้งหมดหรือว่าสิ่งนี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์แม้แต่ในขณะที่เรากำลังดำเนินชีวิตและจะเป็นความภาคภูมิใจเป็นประโยชน์กับเราแม้เมื่อเราจะต้องจากโลกนี้ไป มันฝากโยมเอาไว้สิ่งนี้คือสิ่งที่มีค่ามากเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงเป็นสิ่งที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งปรารถนาดีกับเราอย่างแท้จริงพยายามบอกพยายามสอนเหนื่อยยากในการฝากสิ่งนี้ไว้ให้กับเราทางมีให้เดินแล้วคําสอนมีอยู่แล้วอยู่ที่ยอมจะเลือกละถ้าทางมีให้เดินแต่ยมไม่เดินยมจะโทษว่าทางนั้นไม่ดีไม่ได้ คำสอนมีหลักในการประพฤติปฏิบัตินั้นมีอยู่พยายามบอกพยายามสอนแล้วหรือมีอยู่โยมไม่เข้าไปศึกษาไม่เข้าไปประพฤติปฏิบัติโยมจะโทษว่าคำสอนนั้นไม่ดีไม่ได้สิ่งที่ไม่ดีนั้นคือเราไม่ทำเองต่างหามันฝากไว้สำหรับโยมนะเราระลึกได้อย่างนี้เราย่อมเกิดความซาบซึ้งเกิดความภาคภูมิใจเกิดความอิ่มใจ ในความโชคดีที่เราได้รู้จักคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เข้าถึงธรรมได้รุดเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมได้ศึกษาธรรมลเลืิกได้เช่นนี้จะยิ่งเมีแต่ความอิ่มใจมีแต่ความภาคภูมิใจชีวิตของเราย่อมไม่เป็นหมันถ้าเราประพฤติปฏิบัติสิ่งเหล่านี้อย่างถูกต้องอย่างเต็มที่นี่แหละคุณของพระธรรมละ่ะเลิกได้อย่างนี้จิตใจย่อมอิ่มเอิบย่อมผ่องใสย่อมเกิดปิติเข้าใจนะ อ้าวเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็หวังว่าโยมจะเกิดฉันทะในการเข้าไปศึกษาธรรมเข้าไปศึกษาคําสอนขององค์สมเด็จพระสุทมาสัมาธเจ้าแล้วก็ประสบความสําเร็จกันทุกๆกคนนะอ้าเพราะฉะนั้นลําดับต่อไปก็เชิญโยมแผ่เมตตาแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์พร้อมกันนะแผ่เมตตก็แผ่ความที่ดีงามบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการที่เราฟังธรรมและทําคุณงามความดีเหล่านี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายเนะตั้งใจให้ ความสุขความดีงาหนี้แผ่ไปให้ทั่วนะจะเป็นพร